เมื่อเช้านี้ทางวัดได้จัดพิธีตักบาตรเทโวเดินลงมาจากพระมนดกเดินลงมาจากบนเขาเปรียบเหมือนกับลงมาจากสวรรค์เพราะว่าตามตำนานพระพุทธเจ้าหลังจากที่ได้ทรงตัดสั้นว่มีความปรารถนาที่จะแบ่งธรรมะที่ได้ทรงค้นพบ ให้กับพุทธมารดาที่ได้สวรรคตไปหลังจากที่ได้คลอดพระพุทธเจ้าหลังจากที่ได้คลอดพระเจ้าชายสิทธัตถะเจวันก็เสร็ จ, ส, รจสวรรคตพระพุทธเจ้าทรงนำลึกถึงพระคุณอันยิ่งใหญ่ของพุทธมารดาที่ให้พระกําเนิดแต่พระองค์ พอหลังจากที่พระองค์ได้ตัดสริรุได้หลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดก็มีความปรารถนาที่อยากจะให้พุทธมารดาได้มีโอกาสได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดก็เลยทรงเรงยานหาดูว่าพระพุทธมารดาตอนนี้อยู่ที่ไหน ก็ทรงพบว่าอยู่บนสวรรค์ชั้นสุดชั้นดาวหนึ่งหรือชั้นอะไรเนี่ยก็เลยเสด็จขึ้นไปโปรดพุทธมารดาตั้งแต่วันเข้าพรรษาแสดงธรรมให้พุทธมารดาฟังทุกวันตลอดระยะหนึ่งพรรษาเพราะจนพระพุทธมารดาได้บรรลุเป็นพระโสดามัน ได้เข้าสู่กระแสของพระนิพพานได้ได้เข้าสู่การสิ้นสุดของการเวียนว่ายตายเกิดแต่ยังไม่ได้สิ้นสุดตอนที่เป็นพระโสดาบันแต่ถ้าได้เป็นพระโสดาบันแล้วจะรู้ทางที่จะนำไปสู่พระนิพพานสามารถเดินไปเองได้ แล้วก็ทําให้ไม่ต้องไปเกิดในอบายอีกต่อไปผู้ที่บรรลุเป็นพระโสดาบันนี้ถึงแม้จะเคยทํำบาปกรรมมามากน้อยเพียงไรก็ไม่ต้องไปใช้กรรมในอบายจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ไม่เกินเจ็ดชาติก็จะสามารถหลุดพ้นจากเวียนว่ายตายเกิดได้สามารถบรรลุเป็นพระอาหารหันต์สาวกสามารถบรรลุถึงพระนิพพาน ที่มีแต่ความสุขยิ่งใหญ่เรียกว่าบร ม, มสุขนี่คือความเป็นมาของการตักบาตรเทโวพอครบหนึ่งพรรษาความจริงแล้วต้องถ้าตามตำนานนี้พระพุทธเจ้ายังไม่ได้ลงจากสวรรค์ในวันนี้วันนี้เป็นวันขึ้นสิบห้าค ยังเป็นวันสุดท้ายของพรรษาอยู่ยังไม่ออกพรรษาจะออกพรรษาก็ต้องวันพุ่งวันรุ่งขึ้นวันแรมหนึ่งคเหมือนเดือนเนี่ยวันนี้เป็นวันที่ส0สิบยังไม่หมดเดือนต้องขึ้นหนึ่งค่ต้องขึ้นวันที่หนึ่งถึงจะเป็นเดือนใหม่ถึงพระองค์ก็ลงจากสวรรค์ ในวันแรมหนึ่งค่ำคือวันพรุ่งนี้ดังนั้นพิธีตักบาทเทโวในประเทศไทยนี้ส่วนใหญ่จะจัดในวันแรมหนึ่งค่ำคือวันพรุ่งนี้แต่วัดยา น, นี้มีกรณีพิเศษเนื่องจากว่าวัดยานเป็นวัดที่ได้มาตั้งใหม่ในในทินที่มีวัดวาอารามอยู่เต็มไปหมดแนละ้ว หมู่บ้านทุกหมู่บ้านจะมีวัดของตนทีนี้ถ้าจัดวันตักบาตรเทวขึ้นในวันเดียวกับวัดทั่วๆไปญาติโยมที่มีความปรารถนาที่จะมาตักบาตรที่วัดยานและตักบาตร ท, ที่ที่วัดบ้านก็จะต้องเลือกเอาจะไม่สามารถไปได้ทั้งสองวัด ก็ได้มีการปรึกษาให้ทางวัดยาณนน้จัดในวันขึ้น15คหาคำคือวันนี้ก่อนหนึ่งวันก่อนวันตักบาตรเทวจริงคือวันพรุ่งนี้เพื่อจัทธาญาทโยมที่มีความปรารถนาที่จะมาตักบาตรที่วัดยาณและตักบาตรที่วัดบ้านจะสามารถทำได้ทั้งสองแห่ง เพราะวัดบ้านก็เป็นวัดประจำหมู่บ้านที่ญาติโยมต้องสนับสนุนดูแลแล้วก็วัดยานก็เป็นวัดที่มีผู้หลักผู้ใหญ่คือพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระสังฆราชมาสร้างขึ้นก็เป็นวัดที่สวยงามวัดใหญ่โตมีบริเวณที่กว้างขวางมีภูเขามีมนดบอยู่บนยอดเขา พิธีตักบาตรเทวจะรู้สึกจะมีความอลังการอานเนนเดินลงมาจากเขามีบันไดยอยู่200ร้อยกว่าขั้นบันไดยพญานาคญาติโยมก็อยากจะมาร่วมตักบาตรตักบาตรเทวที่วัดญาณก็เลยมีการจัดการตักบาตรเทวขึ้นในวันนี้ แทนที่จะไปนอนพรุ่งนี้ญาญวงศ์ที่ไม่รู้ก็อาจจะมาตักบาตรเทวพรุ่งนี้ก็จะมักจะผิดหวังเพราะเราได้ทําพิธีในวันนี้แล้วแต่ท่านที่ติดตามทางถ่ายทอดสดก็คงจะรู้กันจะได้ไม่มาก็ถ้าอยากจะตักบาตรเทวพรุ่งนี้ก็ต้องไปวันอื่น วันนี้ตัด ก, ก่อนเขาหนึ่งวันเพราะเคยลองตัดพร้อมๆกันดูแล้วก็มีคนมาขอร้องบอกว่าอยากจะให้แยกเป็นสองวันเพื่อที่เขาจะได้ไปทั้งสองวัดได้วันนี้มาวัดยานะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ไปวัดบ้านนี่ก็เลยทำความเข้าใจให้ญาติโยมทราบถ้าตามตำนานแล้ว วันตักบาตรเทโบต้องเป็นวันหนึ่งค่ำแรมหนึ่งค่ำวันหลังจากครบพรรษาแล้ววันนี้เป็นวันสุดท้ายของพรรษายังไม่ออกพรรษาวันออกพรรษาคือวันพรุ่งนี้วันแรมหนึ่งค่ำก็เลยมีการทำบุญตักบาตรกันมีญาติโยมมากันเป็นจำนวนมากเริ่มต้นตั้งแต่ เชียงบันไดพญานามาไปถึงสาราระยะทางประมาณกิโลกว่าๆมีญาติโยนส่บาสแน่นติดกันต่อเนื่องมีว่างอยู่สองสามจุดที่ไม่มีคนใส่ตอกนั้นก็เต็มไปหมดเมื่อเช้ า, ชานี้ก่อนจะเสร็จไม่รู้กี่โมงเริ่มต้นประมาณเจ็ดโมงชั่วโมงครึ่งครับชั่วโมงครึ่งมนทบาท่ามกลางสายฝน ท่านที่ติดตามการถ่ายทอดสดเมื่อเช้านี้ก็คงจะเห็นภาพแต่ใครไม่เห็นก็ยังสามารถเข้าไปดูได้เพราะมีเก็บไว้เป็นไฟล์ย้อนหลังสามารถเข้าไปดูได้ก็จะเห็นบรรยากาศที่ค่อนข้างที่จะคึกคักแต่เปียกกันด้วยฝนแต่ก็ไม่หนักทุกคนก็มีความชุ่มชําจิตใจ มีความสุขใจเหมือนกับได้รับน้ำมนต์จากเทวดาวันนี้เทวดาม า, มาโปรดผมน้ำมนต์ให้ทุกคนก็มีความสุขกันเรื่องของการจับตัดตักมาทเทว น, นี้ก็เพื่อให้เราได้ระลึกถึงพุทธกิจของพระพุทธเจ้าที่ทรงเห็นคุณค่าเห็นพระคุณของบิดามารดา ที่ผู้ให้กําเนิดถึงแม้ว่าพระพุทธมารดาได้เสด็จสวรรคตไปแล้วแต่พระบารมีของพระพุทธเจ้าทางด้านพลังจิตสามารถติดต่อกับกายทิพย์ได้ผู้ที่ร่วงลับไปแล้วได้มีพลังจิตสามารถส่งกระแสเหมือนกับเราส่งสัญญาณวิทยุมือถือนี้ถึงแม้จะไม่ได้อยู่ในประเทศเดี๋ยวนี้เราก็สามารถ ติดต่อกับผู้ที่อยู่นอกประเทศได้ถ้าเรามีมือถือแล้วผู้ที่อยู่นอกประเทศก็มีมือถือก็สามารถติดต่อกันได้นี่ก็คือการเสด็จไปสวรรค์ไม่ได้ไปทางร่างกายร่างกายก็อยู่ในโลกนี้แต่ในยามค่ำเนี่ยพระองค์จะแสดงธรรมโปรดเทวดาทุกคืนหนึ่งในเทวดานั้นก็เป็นพุทธมารดา พระพุทธเจ้าจะทรงแสดงธรรมวันละสามรอบยามบ่ายเหมือนวันตอนนี้ก็แสดงธรรมให้กับศรัทธาญาติโยมผู้ครองเรือนในยามค่ําก็แสดงธรรมให้แก่พระภิกษุสัมมเดชภิกษุณีในยามดึกก็แสดงธรรมให้เทวดาแสดงสามรอบแล้วมีรอบพิเศษในเช้าช่วงตอนเช้ามืด ก่อนที่จะเสด็จออกบินธบาตก็ทรงรายานดูว่ามีใครที่สมควรที่จะรับทำในเป็นกรณีพิเศษในวันนั้นอาจจะเป็นบุคคลที่มีความพร้อมที่จะบรรลุธรรมแต่มีความมีมีกรรมคือจะต้องเสียชีวิตไปในระยะเวลาอันใกล้ก็เลยสรงมุ่งไปโปรดคนนั้นก่อน เพื่อให้เขาได้มีทมพาให้เขาได้ไปสู่สุขปิไปสู่พระนิพพานได้พระพุทธเจ้านี้มีความปรารถนาเพียงอย่างเดียวเท่านั้นหลังจากที่พระ อ, องค์ได้ทรงบรรุถึงพระนิพพานแล้วก็คืออยากจะให้ผู้อื่นที่ยังไม่ได้ไปถึงนิพพานให้ได้ไปถึงกันเพราะไม่มีอะไรที่จะดีกว่าพระนิพพาน พนิพพานนี้เป็นที่ไม่มีความเกิดแก่เจ็บตายไม่มีความทุกข์ต่างๆอย่างที่พวกเรามีกันอยู่ในขณะนี้และจะมีกันไปเรื่อยๆถ้าเราไม่ได้มาพบกับพระพุทธศาสนาไม่ได้มาพบกับพระพุทธพระธรรมหรือพระสงฆ์องค์ใดองค์หนึ่งที่จะสามารถสอนพวกเราให้รู้จักวิธีปฏิบัติ เพื่อนำพาจิตใจของพวกเราให้ไปถึงพระนิพพานได้ให้ออกจากวงจรแห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยเหมือนกับเจ้าวจดนะเวลาที่เราจะต้องการออกจากการดึงแรงดึงดูดของโรคเนี่ยเราต้องมีจรวดส่งจรวดส่งยาโนวากาศออกไปสำรวจตามตามดวงดาวต่างๆ ถ้าไม่มีจรวดที่มีพลังมากก็จะไม่สามารถส่งยานอวากาศให้ออกจากแรงดึงดูดของโลกได้ส่งไปแล้วก็ต้องกลับลงมาเช่นเครื่องบินต่างๆที่เราเห็นที่บินเยอท่องฟ้านี่เขาไม่มีกำลังพอที่จะออกจากแรงดึงดูดของโลกได้เขาเพียงแต่มีกำลังให้ลอยขึ้นจากพื้นดินได้แล้วก็ให บินไปไหนมาไหนได้แต่ต้องอยู่ภายใต้แรงดึงดูดของโลกพอเวลาน้ามันหมดเมื่อไหร่นี้ก็ต้องรีบลงทันทีถ้าไม่ลงเดี๋ยวก็ต้องล่วงเพราะแรงดึงดูดของโลกจิตใจของพวกเราก็เป็นเหมือนเป็นเหมือนเครื่องบินเหมือนยานอาวากาศแต่ตอนนี้พวกเราเป็นยานอาวากาศที่ไม่มีเครื่อง มีแต่ยานแต่ยังไม่ได้ติดเครื่องหรือถ้าเป็นเครื่องก็เป็นเครื่องบินเครื่องบินที่พาให้เราบินไปตามประเทศต่างๆได้เรายังติดอยู่กับการบินอยู่ในในในโลกของแห่งการเวียนว่ายตายเกิดที่เราเรียกว่าตายพบเรายังบินไปอเมริกาบินไปจีนบินไปยุโรปบินไปญี่ปุ่น หลังจากที่พวกเราตายไปเนี่ยเราก็จะใจของเราก็จะบินไปตามภพต่างๆแต่ก็ยังต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่เวลาน้ํามันหมดน้ํามันหมดก็ต้องกลับมาที่สนามบินลงที่สนามบินอัในใดใจของพวกเราตอนนี้มีกําลังเพียงแต่พจะส่งให้เราไปสู่สวรรค์ชั้นต่างๆ สวรรค์ชั้นเทพแล้วก็สวรรค์ชั้นพรหมสวรรค์ชั้นพรหมนี่ก็ถือ ว, ว่าเป็นสวรรค์ชั้นสูงสุดของไตรภพไตรภพนี้มีอยู่สามภพสวรรค์ชั้นพรหมนี้เป็นมีอยู่สองเป็นเป็นสองภพเป็นรูปภพกับอรูปภพผู้ที่สําเร็จรูปฌานก็จะได้ไปสวรรค์ชั้นชั้นรูปรภพผู้ที่สําเร็จอรูปฌาน ก็จะได้ไปสู่สวรรค์ชั้นอรูปปภูมิเป็นสวรรค์ที่มีความสุขมากที่สุดถ้าเปรียบเป็นโรงแรมก็โรงแรมชั้นห้าดาวมีบริการที่ดีที่สุดถ้าถ้าตับก่านั้นสวรรค์ชั้นเทพสวรรค์ชั้นเทพนี้ก็ไม่ต้องนั่งสมาธิไม่ต้องเข้าฌานเพียงแต่รักษาศีลแล้วก็ทาบุญ ทำบุญมากน้อยก็มีสวรรค์ชั้นต่างๆเหมือนโรงแรมที่มีระดับดาวต่างๆมีตั้งแต่หนึ่งดาวขึ้นไปถึง4ี่หดาวทำบุญมากรักษาศีลได้สะอาดบริสุทธิ์มากก็จะได้ไปสู่สวรรค์ที่สวรรค์ชั้นเทพที่สูงขึ้นสวรรค์ชั้นเทพนี่ยังเสบรูปเสียงกล่นรอดอยู่แต่สวรรค์ชั้นพรมนี่เขาไม่ต้องเสบรูปเสียงกล่นรอ เขาเสพความสงบผู้ที่นั่งสมาธินี้ไม่หาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสเอาทําใจให้สงบแล้วใจจะมีความสุขยิ่งกว่าได้ไปเที่ยวได้ไปกินไปดื่มส่วนผู้ที่ยังไม่สามารถนั่งสมาธิได้ยังไม่สามารถถือศีลแปดได้ก็ถือศีลห้าแล้วก็ทําบุญให้ทานไป ถ้าทำบุญให้ตามรักษาศีลห้าเป็นปกติตายไปก็จะได้ไปสู่สวรรค์ชั้นเทพสวรรค์ชั้นเทพนี่ เ, เหมือนกับตอนที่เรานอนหลับแล้วฝันดีฝันว่าได้ไปเที่ยวที่นั่นที่นี่ได้ไปพบสิ่งดีๆต่างๆในขณะที่เรานอนหลับเวลาที่เราตายเราก็เหมือนนอนหลับเพราะว่าเราไม่ได้ใช้ร่างกายเราใช้ใจ เป็นผู้หาความสุขให้กับเราแต่เวลาเราตื่นหรือเวลาเรามีร่างกายเราก็ใช้ร่างกายเป็นผู้หาความสุขให้กับเราเวลาที่เรานอนหลับเราฝันดีหรือฝันร้ายเนี่ยมันจะบอกว่าเราได้ทำบุญหรือทำบาปกันมาถ้าเราฝันดีนี่เราจะได้เราแสดงว่าเราได้ทำบุญไม่ได้ทำบาปรักษาศีลห้า หรือทำบุญมากกว่าทำบาปบุญเลยส่งผลก่อนบุญมีพลังมากกว่าก็เลยแสดงผลทำให้เรานอนหลับแล้วฝันดีไปแต่ถ้าเรานอนหลับแล้วฝันร้ายฝันไม่ดีฝันไปเจอเหตุการณ์ที่น่าหวาดเสียวน่าหวาดกลัวเจอการสูญเสียเจอพิษภัยอะไรต่างๆแสดงว่าเราทาบาปบาปของเรามากกว่าบุญ จึงทำให้เราฝันร้ายและเวลาที่ร่างกายเราตายไปเราก็จะฝันร้ายคือเราจะไปอยู่ในอบายผู้ที่ฝันร้ายนี่ก็จะไปอยู่ในที่ที่มีแต่เหตุการณ์ที่น่าเกลียดน่ากลัวต่างๆไปเป็นเปรตก็จะเป็นพวกที่มีแต่ความยากจนหิวโหยไปเป็นอสูรกายก็เป็นพวกที่มีแต่ความหวาดกลัวถูกภัยต่างๆคอย คอยเข็นฆ่าคอยทำร้ายทำลา ย, ลายผู้ที่ไปอยู่ในโกก็เป็นผู้ที่ถูกไฟของความโกรธเกลียดอาฆาตพยาบาทเผาผ่รรานนี่คือใจที่ไม่ได้ตายไปกับร่างกายจะไปตามอำนาจของบุญของบาป ท, ที่เรียกว่ากฎแห่งกรรมขณะที่เราเป็นร่างกายไม่ตายเราก็ไปชั่วคราว เป้นเกินนี้เดี๋ยวเรานอนไปเดี๋ยวก็ฝันละใจเราไปลนะไปรับผลบุญผลบาปที่เราทำกันพอร่างกายตื่นขึ้นมาใจก็กลับมาที่ร่างกายแต่ถ้าร่างกายนี้ตายไปก็จะไปยาวไปนานไปจนกว่าจะได้ร่างกายอันใหม่ได้ร่างกายของมนุษย์ใหม่เวลาได้ร่างกายของมนุษย์ใหม่กลับมาเกิดเวลาคลอดออกมาก็เหมือนตื่นขึ้ น, นมาใหม่ เด็กเนี่ยทาลกพอออกจากท้องแม่ก็เติ่นขึ้นมากลับมาที่ร่างกายแล้วจิตกลับมาที่ร่างกายไม่ได้อยู่ในโลกทิพย์กลับมาใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขต่างๆต่ตตอไป mm hmm. อนี่คือเรื่องของจิตของพวกเราที่ยังไม่ได้บรรลุมรรคผลนิพพานยังไม่ได้บรรลุอ่า ขั้นพระโสดาบันขึ้นไปแต่ถ้าได้บรรลุ ข, ขั้นโสดาบันนี้จิตจะรู้ทางที่จะทำให้เราไม่ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกต่อไปแล้วก็จะก้าวขึ้นไปสู่ทมที่สูงขึ้นไปตามลำดับภพบชาติก็จะเหลือน้อยลงไปตามลาดับภพบชาติขั้นที่หนึ่งคือพระโสดาบันนี้ก็จะกลับมาเกิดไม่เกินเจ็ดชาติ ถ้าได้ขั้นที่สองขั้นสกิดาคามีก็จะกลับมาเกิดเอกชาติเดียวขั้นที่สามนี้ก็ไม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์แต่ยังไปเกิดอยู่ในสวรรค์ชั้นพรหมรูปประพรหมและอรู ป, ประพรหมแล้วพอได้ขั้นที่สี่ขั้นพระอาหารหันต์ก็ไม่กลับมาเกิดในสวรรค์ชั้นต่างๆไม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ไม่ไปเกิดในอบายต่อไป ไปอยู่ที่สวรรค์ที่ชั้นสูงสุดเรียกว่าพระนิพพานผู้ที่ไปพระนิพพานไม่ได้สูญหายไปไหนตอนที่การแสดงว่านิพพานศูนย์นี้ไม่ได้หมายความว่าจิตที่ไปนิพพานศูนย์ศูนย์นิพพานนี่หมายความว่าศูนย์จากความทุกข์ต่างๆศูนย์จากกิเลสตัณหาศูนย์จากเรื่องวุ่นวายต่างๆเพราะนิพพานนี้เป็นสถานที่สงบ ไม่ต้องมีอะไรมาสร้างความสุขให้กับใจความสงบนี้แหละเป็นตัวที่เป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่าความสุขต่างๆผู้ที่ได้ไปถึงนิพพานนี้ได้สละสิ่งต่างๆไปหมดแล้วนย์สู์สจากราบยศสรรเสริญสู์จากรูปเสียงกิน่นรสผลตภะสู์จากคนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้ไม่ต้องการอะไรแล้ว เพราะว่าได้ความสงบได้ความว่างที่เป็นความสุขที่เรียกว่าปรามังสุขขังบรมมสุขนั้นพวกเราอย่าไปกลัวว่านิพานนี้พอไปถึงแล้วเราจะหายวับไปเรายังอยู่เหมือนเดิมเรายังเราจะฝันดีอยู่แบบคนที่ฝันดีฝันดีไปตลอดเวลาไม่มีวันสิ้นสุดไม่ต้องมาฝันร้ายอย่างพวกเรากลับมาเกิด ก็ต้องเหมือนกับาเวลาเจอสิ่งที่ดีก็เหมือนฝันดีเวลาเจอสิ่งที่ไม่ดีก็เหมือนฝันร้ายเกิดกี่รอบเดี๋ยวก็ต้องแก่เจ็บตายทุกรอบไปการกลับมาเกิดจึงไม่ดีการเวียนว่ายตายเกิดไม่ดีเพราะมันมีความทุกข์ตามมาทุกตั้งแต่เริ่มออกมาจากท้องแม่เด็กมันออกมาจากท้องมันหัวเราะแล้วมันร้องไห้มันร้องไห้เพามันทุกข์ใช่ไห พอมันต้องหายใจเลยไม่เคยหายใจมาก่อนออกมาจากท้องแม่ก็ถ้าไม่หายใจก็หายใจไม่ออกมันก็เลยร้องบางทีหมอต้องตีก้นให้มันหายใจกระทุ้งก้นพอมันขาดลมหายใจมันถึงร้องเกิดมาก็ต้องทุกกับการหายใจนะนี่เราเกิดมานี่ไม่เคยหยุดหายใจเลยนะหยุดเมื่อไหร่ก็ตายเมื่อนั้น การหายใจนี่ก็เป็นความทุกข์อย่างหนึง่งสู้อยู่แบบไม่ต้องหายใจไม่ดีกว่ามีร่างกายก็ต้องหายใจหายใจก็คือเอาลมเข้าเอาลมออกนอกจากนั้นก็ต้องเอาน้ำเข้าเอาน้ำออกเพราะร่างกายนี้มันทำด้วยดินน้ำลมไฟมันต้องมีดินน้ำลมไฟมาคอยเติมให้มันมันถึงจะเติบโตขึ้นมาได้ ออกมาจากท้องแม่ก็เติมลมก่อนเลยหายใจก่อนแล้วก็เริ่มดื่มน้ำนมแม่นะแล้วต่อไปก็กินอาหาร<ม>ก็มีดินอาหารนี่ก็มาจากดินไฟก็ได้จากความร้อนของแสงอาทิตย์ได้ความร้อนในร่างกายี่ร่างกายนี้จึงเป็นที่รวมของดินน้ำลมไฟทำมาจากดินน้ำลมไฟ ก็ต้องดินลนคอยหาดินน้ำลมไฟมาคอยเติมให้ตลอดเวลาขาดดินน้ำลมไฟเมื่อไหร่เนี่ยถ้าขาดนานๆก็ตายขาดลมนี่ไปก่อนเลยขาดลมไม่กี่วินาทีขาดลมหายใจไปไม่กี่นาทีก็ตายถ้าขาดน้ำก็ยาวหน่อยก่อนจะตายหลายวันถ้าขาดดินคือขาดอาหารก็หลายวันหน่อยอย่างพระพุทธเจ้า เคยขาดถึง4ี่บเวันไม่รับประทานอาหาร4ี่สเวันจนกระทั่งมีแต่หนังหุ้มก็หุหนังหุ้มก็ดูดแต่ก็ยังไม่ตายแต่ถ้าอดไปอีกไม่กี่วันก็คงต้องตายเนี่ยร่างกายจึงต้องมีการเติมดินน้ำลมไฟการเติมดินน้ำลมไฟมันก็ไม่ใช่เป็นของง่ายกว่าจะหาน้ำมากินได้หาอาหารมากินได้ อากาศนี่ดีหน่อยฟรีไม่ต้องเสียเงินแต่น้ำสมัยก่อนก็ฟรีลองน้ําฝนได้แตสมัยนี้น้นําฝนมันสกปรกใช่ไหมหรือคนขี้เกียจรองกันก็เลยซื้อน้ํำขวดมาดื่มกันก็ต้องมีเงินซื้อน้ําอาหารก็สมัยก่อนก็ปลูกกินปลูกกันเองกินกันเองได้สมัยนี้ไม่มี ไม่มีที่นาให้ทุกคนปลูกข้าวปลูกผักก็เลยต้องไปหาเงินไปซื้ออาหารกันก็เลยต้องมีการทำมาหากินกันความร้อนก็ได้ฟรีได้จากแสงอาทิตย์หรือได้จากอาหารที่เข้าไปในร่างกายมันก็ทำให้ร่างกายร้อนขึ้นมาสังเกตในเวลากินอาหารแล้วเหงื่อจะแตก เพราะว่าอาหารนี่เมื่อเข้าไปในร่างกายมันก็จะมีพลังความร้อนออกมาร่างกายอยู่ได้เป็นได้ก็เพราะว่ามีดินน้ำลมไฟนี่เองร่างกายนี้ไม่มีตัวตนเลยไม่มีตัวเราอยู่ในร่างกายเลยเราไปหลงคิดว่าเป็นร่างกายเป็นตัวเรานั้นเองความจริงร่างกายนี้มาจากพ่อแม่พ่อแม่เป็นคนผสมดินน้าลมไฟ สร้างร่างกายนี้ขึ้นมาเราเป็นดวงวิญญาณดวงจิตดวงใจที่กําลังหาร่างกายอยู่พอพ่อแม่ผสมดินน้ำลมไฟปั้นเป็นร่างกายขึ้นมาเราก็เลยไปเกาะติดที่ร่างกายอ น, นั้นแล้วก็ไปถือว่าเป็นของเราเท่านั้นเองแต่ไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวเราตัวเราไม่ได้อยู่ที่ในร่างกาย เพราะตัวเราเป็นธาตุรู้เป็นผู้รู้เป็นผู้มีความรู้สึกนึกคิดธาตุรู้นี้ไม่ใช่ธาตุดินไม่ใช่ธาตุน้ำไม่ใช่ธาตุลมไม่ใช่ธาตุไฟเพียงแต่ว่ามาเกาะติดกันเหมือนกับที่เราใช้กระแสวิทยุนี้ควบคุมเครื่องจักรริยาอวากาศนี ยานอวากาศนี่เวลาเขาส่งออกไปไม่มีคนขับคนขับอยู่บนโลกนี้แต่ก็ใช้สัญญาณวิทยุควบคุมยานอวากาศสั่งให้ยานอวากาศเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาให้ขึ้นลงขึ้นต่ําเหมือนกันโดรนสมัยนี้ที่เขาก็มีกันเนี่ยไม่คนขับไม่มีในคนขับไม่ได้อยู่ในโดรนคนขับอยู่ที่บนพื้นดิน เราก็ใช้สัญญาณวิทยุสั่งให้โดรนนี้บินไปบินมาร่างกายนี้ก็เป็นเหมือนโดรนคนขับก็คือใจผู้รู้ที่ส่งกระแสวิญญาณมาเกาะที่ใจเกาะที่ร่างกายเกาะที่ตาหูจมูกนิ้นกายเพื่อจะได้เห็นรูปได้ยินเสียงแล้วก็สั่งทางความคิดว่าให้ร่างกายนี้เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาให้เดินไปข้างหน้าเดินไปข้างหลัง ผู้สั่งไม่ได้อยู่ในร่างกายแต่พวกเราไม่รู้กันเพราะไม่มีใครสอนก็เลยไปคิดว่าเราอยู่ในร่างกายเราเป็นร่างกายกันแล้เราก็เลยมาทุกมากังวลกับร่างกายเพราะร่างกายนี้มันจะต้องมีภัยอันตรายต่างๆมาทําลายมันไม่ช้าก็เร็วไม่ภยัยภายนอกก็ภยัยภายในภยัยภายในก็คือความแก่ความเจ็บความตาย ภ า, ภายนอกก็เหตุบุคคลต่างๆเหตุการณ์ต่างๆพายุฝนอะไรต่างๆหลานี้ก็สามารถทำให้ร่างกายนี้ตายได้เมื่อเรามีความหลงเราไปคิดว่าเราเป็นร่างกายเราก็เลยตกใจกลัวกันทุกไปกับร่างกายเราโชคดีชาตินี้เราได้มาเจอคนที่รู้ความจริงคือพระพุทธเจ้าเนี่ยที่ท่านตัดสรโเนี่ยท่านตัดสัโลเห็นใจ ใจนี่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าเนี่ยตาเรานี่มองเห็นแต่แต่สิ่งที่เราเห็นด้วยร่างกายแต่ตัวใจเองเรามองไม่เห็นทั้งที่ใจนี้เป็นผู้สั่งให้ร่างกายทำอะไรต่างๆนานาเราไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนกันนักวิทยาศาสตร์ก็คิดว่าอยู่ในสมองกันอยู่ในร่างกายอันนี้กันแต่พระพุทธเจ้านี้ทรงปฏิบัติทำนั่งสมาธิ จึงสามารถเห็นใจที่แยกออกจากร่างกายเวลาที่นั่งสมาธิเวลาใจสงบนี้ร่างกายจะหายไปเหลือแต่ใจดงเดียวตอนนั้นใจดึงกระแสของใจออกจากร่างกายเหมือนกับเราปิดสัญญาณวิทยุไม่ติดต่อกับายานอวากาศไม่ติดต่อกับโดรนนี่โดรนมันก็จะอยู่เฉยๆให้ทำอะไรไม่ได้ตอนที่เรานั่งสมาธินี่เรา ถอนกระแสจิตออกจากร่างกายพอถอนออกมาการรับรู้เรื่องของร่างกายการรับรู้รูปเสียงกลิ่นรสทางตาหูจมูกนิ้นกายก็จะหายไป <ừ. S 1> เหมือนปิดเครื่อง <ừ. S 1> จะรู้ก็เฉพาะใจผู้รู้ผู้สั่งผู้คิดเท่านั้นเองเนี่ยเรา ถ, ถ้านั่งสมาธิจนถึงจุดที่มันแยกออกจากกาันเราจะรู้ว่าร่างกายกับเรานี้เป็นคนละส่วนกันแล้วเราจะรู้ว่า ร่างกายนี้มันไม่เที่ยงมันเดี๋ยวต้องแก่เจ็บตายแต่ใจนี้มันไม่ตายไปกับร่างกายเพราะมันมีมาก่อนที่มีร่างกายอันนี้เมื่อก่อนมันมีร่างกายอันอื่นแล้วร่างกายเก่ามันตายไปมันก็เลยหาร่างกายอันใหม่พอมีใครสร้างร่างกายอันใหม่มันก็เข้าไปยึดเป็นของของมันทันทีนี่คือ เรื่องของ <c oughs> ธรรมะที่จะสอนให้เราเห็นว่าการเวียนว่ายตายเกิดเป็นยังไงผู้ที่เวียนว่ายตายเกิดไม่ใช่ร่างกายดัยงนั้นคนที่มองร่างกายเป็นเราว่าเรามีเพียงแต่ร่างกายก็จะปฏิเสธเรื่องกฎแห่งกรรมจะปฏิเสธเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดเพราะไม่รู้ว่าใครไปรับผ ล, ผลบุญผลบาปไม่รู้ว่าใครไปสวรรค์ใครไปนรกไม่รู้ว่าใครไปเกิดใหม่ พอเห็นแต่มีแต่ร่างกายเท่านั้นเองคิดว่าพอร่างกายตายไปอก็กลายเป็นดินไปใช่ไหมเอาไปเผาก็กลายเป็นขี้เถ้าไปอเอาไปฝังก็กลายเป็นดินไปแล้วใครล่ะที่จะไปเกิดใหม่ใครล่ะที่จะไปรับผลบุญผลบาปพราะเขาไม่สามารถเห็นใจของเขาเองได้เพราะเขาถูกความหลงหลอกให้เขาคิดว่าใจอยู่ในร่างกาย ใจเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายอยู่ในสมองพอสมองหยุดทำงานก็ก็จบตัวเราก็จบไปกับการทำงานของสมองแต่พระพุทธเจ้านี้ทรงตัดสัตย์ว่าไม่ใช่ใจร่างกายนี้กับใจนี้เป็นคนละคนกันใจนี่แหละเป็นผู้สั่งให้ร่างกายทำบุญทำบาปแล้วใจนี่แหละเป็นผู้รับผลบุญผลบาป ทำบุญใจก็มีความสุขทำบาปก็ใจก็มีความทุกข์เวลาไม่มีร่างกายหรือเวลานอนหลับก็รับผลบุญผลบาปเวลานอนหลับนี่ใจยังอยู่ร่างกายเหมือนกับคนตายร่างกายนอนอยู่เฉยเฉยเหมือนคนตายไม่ได้ทำอะไรแต่ใจยังทำงานอยู่ใช่ใจยังรับผลบุญผลบาปด้วยการฝันดีฝันร้ายอยู่ถ้าไม่มีร่างกายก็ฝันยาวเลย ฝันไปจนกว่าจะได้ร่างกายอันใหม่ถึงจะตื่นขึ้นมาใหม่เนี่ยเราเวียนว่าตายเกิดช่วงที่ฝันดีฝันร้ายเนี่ยเขาเรียกว่าไปอยู่พบพบใหม่ฝันดีก็ไปเป็นเทวดาถ้าทําบุญรักษาศีลถ้าฝันแบบสงบนิ่งก็ไปเป็นสวรรค์ชั้นโภมถ้าฝันร้ายก็ไปเป็นเปรตไปตกนรกเนี่ยหรือไปเกิดเป็นเดฉานิเดฉานนี่เขาอยู่อย่างมีความทุกข์มีความ มีภัยรอบด้านอยู่ไม่ปลอดภัยเหมือนกับมนุษย์อยู่กันนี่คือเรื่องของการเวียนว่ายตายเกิดที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดจารุและทรงค้นพบสาเหตุที่ทำให้สัตว์โลกทั้งหลายยังเวียนว่ายตายเกิดกันอยู่ตอนต้นพ้ะองค์ก็ไม่รู้พระองค์ก็ไม่อยากจะกลับมาเกิดเพราะไม่อยากจะแก่มาเจ็บมาตายแต่ก็ไม่รู้สาเหตุของการ ที่ทำให้กลับมาเกิดจนกระทั่งหลังจากที่ได้ปฏิบัติลองผิดลองถูกอยู่ตอนต้นก็คิดว่าถ้าไม่กินข้าวแล้วจะอดจะหยุดการกลับมาเกิดได้เพราะคิดว่าความอยากกินข้าวทำให้กลับมาเกิดอดกินข้าวจะตายแล้วมันก็ยังอยากกินอยู่เพราะความอยากมันไม่ได้อยู่ในร่างกายความอยากกินมันอยู่ในใจก็เลยสงรงผดเพราะว่าอ๋อความอยากต่างๆที่มีอยู่ในใจนี่แหละ ที่เป็นตัวที่ทำให้ต้องกลับมาเกิดเพราะถ้ายังอยากดูก็ต้องมีตายังอยากฟังก็ต้องมีหูอยากลิ้มรสก็ต้องมีลิ้นอยากดมกลิ่นก็ต้องมีจมูกอยากจะสัมผัสอะไรต่างๆก็ต้องมีร่างกายสัมผัสความเย็นความร้อนความนุ่มความแข็งต่างๆก็ต้องมีร่างกายต้องมีตาหูจมูกลิ้นกายถ้ายังมีความอยากอยู่ ถึงแมว่าร่างกายอันนี้ตายไปความอยากมันก็จะพาให้ไปหาร่างกายอันใหม่ช่วงที่รอรับร่างกายอันใหม่ก็ไปรับผลบุญผลบาปไปพอได้ร่างกายอันใหม่ป๊อพอคลอดออกมาก็ใช้ตาหูจมูกลิ้นกายเลยเด็กนี่ตั้งแต่ออกมามันไปแล้วเนี่ยมันคานไปเลยมันคานเพราะมันอยากจะไปดูนู่นดูนี่นละมันไม่อยู่ไม่เป็นสุขสังเกตอยู่ทาไมเด็กมันเกิดมาแล้วทําไมมันนอนเฉยเฉยไม่ได้ มันอยากจะดูอยากจะเล่นอยากจะอะไรของมันเพราะใจมีความอยากอยู่อยากสามอย่างที่ทําให้ใจกลับมาเกิดอยากในรูปเสียงกลิ่นรสอยากเป็นนู่นเป็นนี่อยากไม่เป็นนู่นเป็นนี่มีชวามอยากสามชนิดอยากจะเป็นที่ดีสิ่งที่ไม่ดีก็ไม่อยากเป็นพอเป็นก็อยากจะให้มันหายไปเช่นเวลามันแก่ก็อยากจะให้มันหายไป เวลามันเจ็บไข้ได้ป่วยก็อยากจะให้มันหายไปความอยากนี้มันเลยทำให้มันดิ้นดิ้นหนีดิ้นไปหาดิ้นไปหาร่างกายที่ไม่มีที่ไม่เจ็บไม่แก่ก็ไปเกิดใหม่ไปเกิดใหม่ก็ต้องไปเจอความแก่ความเจ็บความตายนี่วิธีที่จะไม่ต้องกลับมาเกิดใหม่พระพุทธเจ้าก็เลยทรงค้นเพราะว่าต้องหยุดความอยากที่มีในใจหยุดความอยาก ดูเสียงกลิ่นเราไม่ดูไม่ฟังเนี่ยไปบวชเนี่ยไปบวชไปตัดกิเลสใช่ไหมกิเลสือความอยากดูอยากฟังอยากลิ้มรสยมกลิ่นเนี่ยพวกเราทุกวันเนี่ยเสพพวกนี้ทุกวันเลยใช่ไหมตื่นขึ้นมาก็คิดถึงอะไรจะกินอะไรดีดื่มอะไรดีจะดูอะไรดีจะฟังอะไรดีความอยากมันทํางานอัตโนมัติยี่บสี่ชั่วโมงนอกจากเวลาหลับเวลาหลับมันก็ฝันมันก็ฝันไป เอาความอยากพาไปฝันอีกเนี่ยถ้าตาบใดเราไม่หยุดความอยากเหล่านี้ความอยากได้ลาบยศสรรเสริญก็เรียกว่าภาวะตัณหาอยากมีอยากเป็นอยากลาบอยากรวยอยากเป็นใหญ่อยากเป็นโตอยากให้คนยกย่องสรรเสริญเยืนยอเยเรียกว่าอยากมีอยากเป็นอยากไม่มีอยากไม่เป็นก็คืออยากไม่เสื่อมจากลาบมีลาบแล้วไม่อยากให้มันเสื่อมเนี้ยคนมีเงินแล้วอยากจะให้มันหมดไหม มีใครอยากให้มันหมดมีแต่อยากให้มันมีมากขึ้นไปเรื่อยๆพอมันพ อ, พอมันหมดก็ทุกกันก็ต้องดิ้นหาใหม่พอมันไม่อยากจนก็ต้องหาเงินใหม่พอเป็นใหญ่เป็นโตพอตกหลงจากเก้าอี้ก็ต้องหาเก้าอี้ใหม่ขึ้นมานั่งใหม่ความอยากมันเลยทําให้ใจนี้ต้องดิ้นหาสิ่งต่างๆการจะมีสิ่งต่างๆได้ก็เลยต้องมีร่างกาย ถ้าไม่มีร่างกายก็ไม่สามารถมีสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ได้ก็เลยต้องกลับมาเกิดกันอยู่เรื่อยๆพระพุทธเจ้าก็เลยหาวิธีหยุดความอยากนี้ก็ทรงค้นพบว่าต้องหยุดด้วยศีลด้วยสมาธิด้วยปัญญาศีลก็จะห้ามไม่ให้ทำอะไรต่างๆที่ไม่ควรจะทำทำแต่สิ่งที่จำเป็นทรมาหากินได้แต่ห้ามเที่ยวห้ามหาความสุขจากร่างกาย ไปเที่ยวไปดูไปกินไปดื่มไปเล่นไปร่วมหลับนอนกับคนนั่นคนนี้ห้ามหมดนะเพื่อจะได้ลดปริมาณของความอยากลงเพื่อที่จะทำให้ใจทำงานน้อยลงเพื่อที่จะทำให้มันสงบได้ง่ายขึ้นถ้าใจมันทำงานมากมันไปเที่ยวไปกินไปดื่มให้มันมานั่งสมาธิมันนั่งไม่ได้หรอกนั่งแล้วฟุ้งซ่านคิดถึงเรื่องเที่ยวอยู่ตลอดเวลา ก็เลยต้องตัดเรื่องเที่ยวลงไปก่อนให้มาถือสิงแสเนี่ยมาอยู่วัดเนี่ยมก็ตัดเรื่องเที่ยวเรื่องกินเรื่องดื่มไปใจจะได้ไม่ทำงานหนักจะได้ทำให้มันสงบให้มันนิ่งได้เพราะความอยากมันเกิดจากการทำงานของใจเกิดจากการคิดของใจพอคิดถึงขนมก็อยากกินพอคิดถึงกาแฟก็อยากดื่มพอคิดถึงภาพยนตร์ก็อยากดูเนี่ยเ ร, เราจะมาหยุดความคิดกัน ตอนต้นก็หยุดส่วนหนึ่งด้วยการไม่ไปทำกิจกรรมต่างๆด้วยการถือศีลแปดขึ้นไปแล้วพอเราถือศีล8ปได้เราก็มีเวลาที่จะมาควบคุมความคิดการจะหยุดความคิดได้เราก็ต้องใช้สติฝึกสติควบคุมให้ใจไม่คิดถึงเรื่องต่างๆให้มันคิดอยู่เรื่องเดียวฉะนั้นคิดอยู่กับคาบากรรมพุทโธพุทโธ ถ้าเราพูดโธรพูดโธไปมันก็จะไปคิดถึงกาแฟไม่ได้คิดถึงขนมไม่ได้ถ้ามันคิดปับ๊บเราก็ใช้พุโทโธหยุดมันได้ถ้าเราหัดพุดโธไปต่อไปเราจะสามารถหยุดความคิดได้หยุดความอยากได้พอเราหยุดความคิดหยุดความอยากได้เวลานั่งสมาธิใจเราก็จะนิ่งสงบแล้วก็มีความสุขมีความอิ่มทําให้เราไม่ขิวกับสิ่งต่างๆ ก็จะทำให้เรามีกำลังที่จะมาฝืนความอยากต่างๆได้พ อ, อ, อจากสมาธิมาพอเกิดความอยากเราก็ใช้ปัญญามาสอนว่าทำตามความอยากจะทำให้เราไปเกิดใหม่ทำตามความอยากแล้วมันติดมันไม่เลิกความอยากไม่หายไปอย่างคนอยากสูบบุหรี่นี่เห็นไหมพ อ, พออยากสูบปั๊กก็เอาสูบสูบไปเดียวเดียวเดียเด๋ยวความอยากใหม่ก็มาอยากจะสูบบวนใหม่ขึ้นมา วิธีที่จะหยุดความอยากก็ต้องไม่ทำตามความอยากอยากจะสูบบุหรี่ก็ไม่สูบมันแต่ถ้าไม่มีสมาธิก็สู้ไม่ไหวเพราะความอยากมันทรมานใจแต่คนที่นั่งสมาธิเป็นนี้สามารถทาให้ใจไม่ทรมานกับความอยากไนดะ้พอใจจะทรมานก็พุโทโธพุโทโธพุโทโธไปพอพุโทโธไปก็ลึมถึงเรื่องบุหรี่ที่อยากจะสูบก็เลยไม่ความอยากก็เลยลดลง พอความอยากลดลงความเาเร้านใจก็น้อยลงไปเลือหายไปนี่คือวิธีที่จะทำให้เราสู้กับความอยากทั้งสามได้คือความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะความอยากมีอยากเป็นความอยากไม่มีอยากไม่เป็นถ้าเรามีพุทธโธมีปัญญาปัญญาจะบอกว่าการไปทาตามความอยากนี้มันไม่มีวันสิ้นสุดได้เท่าไหร่ก็ไม่อิ่มไม่พอนอกจากไม่พอแล้วยังเจ้าไม่เจอความทุกข์ เวลาที่สิ่งที่เราได้มาต้องจากเราไปหรือเวลาที่เราต้องจากสิ่งที่เราได้มาเนี่ยต่อไปพวกเรานี้จะต้องจากทุกสิ่งทุกอย่างที่เราหามากันถึงไม่มีใครอยากจะตายกัน่ยถ้าตายแล้วมันได้ทุกสิ่งไปด้วยรับรองได้ว่ายินดีที่จะตายแต่ที่มันไม่อยากตายเพราะว่ามันไม่สามารถเอาสิ่งต่างๆที่เราหามาได้ในขณะที่เรามีชีวิตอยู่กันถ้าเอาไปได้ไม่มีใครกลัวตายหรอก ที่กลัวตายเพราะว่ามันไม่มีอะไรติดตัวไปไปแบบขอทานเลยไม่อยากจะไปกันแต่ความจริงไม่รู้หรอกว่าเราสามารถเอาสิ่งที่ติดตัวไปได้ก็คือเอาศีลสมาธิปัญญาไปได้ถ้าเรามีศีลสมาธิปัญญานี้ใจเราจะไม่ทุกข์เลยใจเราจะมีความสุขมีความสุขมากกว่าความสุขที่เราได้จากลาบยศสารเสรญได้จา ก, กานู่เสียงกินนิ่นเดี ผู้ที่มีศีลสมาธิปัญญาอย่างพระพุทธเจ้าอย่างพระอรหันต์ทั้งหลายท่านอะไรไม่กลัวตายท่านตายได้เพราะท่านตายอย่างมีความสุขเพราะท่านมีศีลสมาธิปัญญาไม่มีความทรมานใจไม่มีความอยากที่จะมาสร้างความทรมานใจเพราะมีอํานาจของศีลสมาธิปัญญากําจัดควบคุมความอยากต่างๆไม่ให้โผล่ขึ้นมาไม่ให้มาสร้างความทุกข์ทรมานใจนั่นเอง ท่านจึงไม่ทุกข์เลยอยู่ก็ไม่ทุกข์ตายก็ไม่ทุกข์อยู่ก็ไม่ได้ต้องการอะไรตายก็ไม่ต้องการอะไรไปก็เลยไม่มีความรู้สึกว่าจะทุกข์กับอะไรนี่แหละแล้วก็ไม่ต้องกลับมาเกิดอีกต่อไปเพราะไม่มีความอยากที่จะได้อะไรแล้วความอยากจะมีตาหูจมูกลิ้นกายไม่มีแล้วเพราะไม่มีความอยากดูอยากฟังอยากลิ้มรสดมกลิ่นก็เลยไม่ต้องมาเกิด การไม่มาเกิดก็เลยเรียกว่านิพานนั่นเองจิตที่ไม่มาเกิดเรียกว่านิพานไม่ใช่สถานที่เป็นจิตที่ไม่มีความหิวไม่มีความอยากไม่มีความทุกข์เท่านั้นเองส่วนจิตของพวกเรานี่ยังมีความหิวมีความอยากยังมีความทุกข์อยู่ก็เลยยังต้องมีต้องมาเกิดเพราะเรายังต้องการมีร่างกายเพื่อเราจะได้ใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขต่างๆแต่กลายเป็น แต่กับกลายเป็นเครื่องมือหาความทุกข์ให้กับเราโดยไม่รู้สึกตัวเพราะความหลงไม่มีปัญญาคิดไม่เป็นไม่รู้เสียด้วยซ้ำว่าเกิดมาได้ยังไงไม่รู้เสียด้วยซ้าว่าเกิดมาทำอะไรเพื <sk les> ่อทำอะไรรู้แต่เงว่าเกิดมาแล้วต้องหาความสุขอย่างเดียวหาความสุขด้วยความอยากอยากได้อะไรก็ воды, ทำมันทำมันแล้ว<ๆ> <ๆ S 2> ไม่รู้ว่าความสุขได้ไดจากความอยากนี้มันจะกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาเมื่อไหร่ สองที่ได้มาพอต้องเสียมันไปต้องจากมันไปก็กลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาร่างกายที่ได้มาพอมันแก่มันเจ็บมันตายมันก็กลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาเราคิดกันไม่เป็นมีพระพุทธเจ้าเนี่ยที่คิดเป็นพอเห็นความแก่ความเจ็บความตายนี่ท่านกลัวเลยบไม่เอาไม่อยากได้ต้องหาวิธีทำไงไม่ให้มาเจอมันให้ได้วิธีถ้่ไม่เจอก็ต้องไม่เกิดถ้าเกิดแล้วก็ต้องมี มีความแก่ความเจ็บความตายเราวิธีที่จะไม่เกิดทำอย่างไรก็ต้องไม่มีความอยากต้องตัดความอยากและจะเอาอะไรมาตัดความอยากก็ต้องเอาศีลสมาธิปัญญาอันนี้เป็นเรื่องที่พุทธเจ้าทรงค้นคว้าหาด้วยตนเองไม่มีใครสั่งใครสอนมีสอนบ้างในระดับต้นๆคือระดับศีลระดับสมาธิแต่ระดับปัญญานี้ไม่มีใครรู้ถ้ามีแค่ศีลสมาธิก็ดับความทุกข์ได้ชั่วคราว แต่หยุดความเกิดไม่ได้ตายไปยังต้องกลับมาเกิดใหม่พระองค์เลยต้องค้นหาปัญญาด้วยตนเองก็ทรงค้นพบว่าการที่เราจะไม่กลับมาเกิดต้องเห็นโทษของการทำตามความอยากเห็นว่าสิ่งสิ่งที่เราอยากได้ น, นมันจะกลายเป็นความทุกข์ต่อไปเมื่อมันเปลี่ยนไปหรือเมื่อมันสูญเมื่อเมื่อมันจากเราไปอย่าไปเอามันมาอย่าไปอยากได้อะไร พอไม่อยากได้อะไรเพราะมันเป็นทุกข์ก็เลยไม่ต้องมาเกิดก็เลยไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดไม่ต้องมาทุกข์อีกต่อไปนี่คือคำสอนที่พระเจ้าไปสอนพุทธมานดาตลอดระยะเวลาสามเดือนสอนเทวดาสอนสัตยาตอยูพระพุทธเจ้าสอนแค่นี้คำสอนองพระเจ้ามีถึงแ4ดห0่สี่พันบทเนี่ยแต่สอนเรื่องเดียวสอนเรื่องศีลสมาธิปัญญาสอนเรื่องทำบุญททานเท่านั้นเอง เพื่อให้เราจะได้ดับความทุกข์ต่างๆหยุดความอยากต่างๆเพื่อให้เราได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดกนนันพวกเราวันนี้ก็ขอให้เราจำนึกถึงเหตุการณ์ที่พระพุทธเจ้าได้ปฏิบัติขึ้นไปสอนพุทธมารดาทางกระแสจิตสอนให้มีศีลสมาธิปัญญาพอมีศีลสมาธิปัญญาพุทธมารดาก็สามารถหยุดความอยากได้ในระดับระดับที่หนึ่ง แต่ยังดับความอยากไม่ได้หมดดับได้หนึ่งในสี่ก็ทำให้อย่างน้อยไม่ต้องไปเกิดในอาบายแล้วถ้ากลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็กลับมาเกิดไม่เกินเจ็ดชาเพราะจะสามารถพัฒนาปฏิบัติให้สูงขึ้นไปได้ตามลำดับและหลุดพ้นเป็นพระนามได้ในที่สุดนี่คือเรื่องของวันตักบาตเทโวที่จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้ แต่ได้เกิดขึ้นที่วัดญาณแล้วในวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขออนุโมทนาให้พรยะ า, าวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาขังเอวเมวะอิตโตทินัางเปตานางโอปะกาปติอิทิตังปฏติตังตุมหังคิปะเมวะสมิจโต สัพเพปเร็มตุสังกปาจันโทปนะระโสยธามณิโชติหราโสยธาสัพพิติโยวิวัจจันโตสัพพารโควินัสตุมาเตภวตวันตราโยสุขีทีขายุโกภวะ พิวาทานสีฤทสะมิจังวุฒาปะจายโนจตารุธัมมาวะัฏติอายุวันโอสุขังภาลางมีธุระอะไรหรือเปล่าไม่มีอะไรนะมาเยี่ยมเฉยๆ ถ้ามีก็คุยกันได้ตอนนี้เลยแต่ต้องถ่ายทอดไปทั่วโลกก็เลย น, นี่ต้นครับพระเระอกรายเดียวพบอดีตในคนอายุเพื่อนบ้านที่จฉ่ำบอกว่ามีลูกชายคนโตเป็นระดับผู้นำจะมาบวชไหมับมาปฏิบัติธรรมใช่ไหม มาตักท่านแล้วลาออกจากห้งกับนะลาออกไปล้ยังอยู่ที่บ้านหรือเปล่าครับไม่ได้อยู่มาเธอมีคอนโดอยู่ที่ที่โอเชียนล็อ ม, ม, ามารีนาแล้วก็มาทำบุญมาฟังเทศฟังธรรมแลม้วมีมีโครงการที่จะทำบ้านเล็กๆในหมู่บ้านที่เขาปฏิบัติทํากัน <c oughs> จะปฏิบัติกับแฟนคลอแฟนคลองีสนใจด้วยกันทั้งคู่ เขาคุยมาพบกันเมื่อ34อาทิตย์ที่แล้วเก็พูดวัดยานผมก็บอกผมก็ูุสิกอาจารย์เหมือนกันเขาเพุ่งมาเมื่อเมื่อไม่กี่อาทิตย์นี่สองอาทิตย์ก่อนสองามอาทิตย์ก่อนก็มามาสายบาสมาฟังเทศฟังธรรมก็เดี๋ยวนี้มีคนสนใจที่จะปฏิบัติกันเยอะเราจากงานกันเยอะ ได้พุกับยังนุ่มๆอยู่นะนี่รถแข่งทมชนะรถทั้งปวงนะใครได้สัมผัสได้รอบความสุขจากธรรมะแล้วมันไม่มีอะไรเทียบเท่าแล้วมองถ้ามองถึงอนาคตแล้วธรรมะ ม, มีแต่ความความโล่งความปลอดภัยรออยู่ถ้ามองทางร่างกายมันมีแต่ภัยรออยู่เราอยู่ข้างหน้า ก่นเราถ้าคิดเป็นน้ดหน่อยนี่ก็ไม่เอาแล้วทางร่างกายเอาทางจิตใจดีกว่ามาฝึกจิตฝึกใจมาสร้างพลังให้กับจิตใจออยิ่งมีพลังมากเท่าไหร่มีธรรมมากเท่าไหร่จิตใจก็ยิ่งจะเดี๋ยวสอ่อางไว้ตรงนี้จิตใจยิ่งจะมีแต่ความสุขมีแต่ความจเจริญเนีความทวามทุกทางร่างกายนี้จะไม่มีผลกระทบกับใจเลยเอ ร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตายนีใจจะไม่เดือดร้อนเลยถ้ามีธรรมถ้ามีศีลสมาธิปัญญาที่สอนแล้สร้างกันขึ้นมาก็สามตัวนี้ศีล ส, สมาธิปัญญาตอนนี้จะเป็นตัวที่จะปกป้องรักษาใจเหมือนกับเกราะที่เราหุบใส่เวลาตโรวจทหารเดี๋ยวนี้เขาใส่เกราะมันถ้าเจอกระสุนก็ยิงไม่เข้าถ้ามีธรรมะก็ความทุกข์จะไม่เข้ามาในใจเรา คามแก่จะไม่ทําให้เราทุกข์ความเจ็บไข้แน่ปวยจะทําให้เราทุกข์ความตายจะไม่ทําให้เราทุกข์อันนี้สองธรรมมีประโยชน์มากอันนี้เราไม่มีศีลสมาธิปัญญากันเลยไม่มีเกราะเลยพอนึกถึงความแก่ยังไม่ทันแก่แล้วก็ทุกข์ไปแล้วออนึกถึงความเจ็บไข้แน่ปวยก็ทุกข์แล้วเนี่ยเพียงยังไม่เจอในะเพียงแต่นึกถึงคิดถึงมันเท่านั้นก็ทุกข์ลว แสดงว่าไม่มีเกาะเลยวันนี้เขาท่านไปงานบ้านขับผมเห็นท่านเดินไปขึ้นมาก็ใช้ได้ไม่เป็นไรแต่วันนี้ไปเจอถ้าไปนั่งที่เย็นๆวันนี้เดี๋ยวนี้ที่บัวเขาติดแอร์แล้วเย็นเฉียบเย็นพอเย็นปั๊บตะคิวมันจะกินเลยเส้นมันจะตึงขึ้นมาเพราะว่ามันไม่มีอุณหภูมิไม่มีความร้อนมันก็ทําให้เส้นมันยึดเนี่ย แต่ถ้าบรรยากาศธรรมด า, านี้ไม่เป็นไรเนั่งนี้ได้สบายแต่พอไปนั่งในโบสถ์สักครึ่งชั่วโมงพระเพียงนี้มันจะเป็นอพราะอากาศเย็นไม่เคยเมื่อก่อนนั่งในโบสถ์ไม่เป็นตอนนี้ไม่มีเครื่องปรับอากาศไม่เป็นวันนี้มีเครื่องปรับอากาศมันดีอย่างก็เสียอย่างมันไม่ร้อนแต่ไม่ร้อนมันก็เลยทําให้เส้นสายมันตึงมันหดถ้าก็ต้องใช้จิตมาบอกว่าไม่ไม่เจ็บใช่ไหมครับไอจิตมันไม่เจ็บอ แ, แต่กายมันจะ มันจะล็อกเอามันต้องก็ต้องเปลี่ยนนิยาบทต้องยืดเส้นยืดสายยืดขาไปให้มันเลือดลมมันไหลมันถึงจะได้หายใจมันควบคุมได้แต่ร่างกายควบคุมไม่ได้บางทีก็ต้องใช้อใช้เหตุผลของร่างกายมันเป็นอย่างนี้เพราะมันนั่งขดนั่งอย่างนี้นานๆเลือดลมมันไม่ไหลแล้วยิ่งมีอากาศเย็นมาเสริมอีกมันก็ยิ่งทําให้ มันกลายเป็นตะขิวขึ้นมาเราก็ต้องแก้โดยยืดเส้นยืดสายลูกคึ้นไปยืนหรือออกไปจากที่เย็นพอมาจากที่เย็นปั๊ไม่นานมันก็ไม่เป็นหายอ<ม>ได้ได้ความรู้เพิ่มขึ้นอย่าอากาศเย็นๆนี่มันก็ทําให้มีมีปัญหากับอกล้ามเนื้อได้ตอนนี้เราก็เริ่มเป็นแล้หน้าหนาวเราเราหน็บนี่ ใช่นะอยู่ที่หนาวๆนี่กล้ามเนื้อมันไม่ถ้าออกไปข้างนอกหนาวๆนี่มันลาบากแล้วผมจะมากับอาจารย์ผมยังอยู่อีกหลายเดือนได้เชิญได้เขาจะได้เอีกขจะได้ได้ได้อะไรไม่มีอะไรครับมากคับอาจารย์ทั้งนั้นนะถ้ารจอพี่สุภาก็ฝากความคิดถึงนให้ด้วยนะเดี๋ยววันเสาร์นี่เจอเสาร์นี่ วันนี้ทางเฟ e บุ๊กเข้ามาเท่าไหร่วันนี้เฟ e บุ๊กสูงสุด456ค่ะมี50มีแตะค่ะบ112ค่ะวันนี้เยอะหน่อยนะเมื่อเช้านี้จำได้ไมตอนตัดบาดเทเบงมีเท่าไหร่ตอนถ่ายทอดสด200กวา่า200กว่า1 2ตเขวนวี น, นกกวะครับาั้ชั่วโมงขึ้นเฟซบุ๊กเลยอะ u ูทูบยูทูบไม่ได้ดู joutube ดูในจังหวะนั้นไม่ได้ต้องทักไปต่อมีใครอยากจะถามอะไรไหมที่เทศให้ฟังเข้าใจไหมเราไม่ตายไปกับร่างกายเราไม่ใช่เป็นร่างกายผู้ที่รู้ผู้ที่คิดนี่ผู้ที่คำพูดอย่างนี่ไม่ใช่ร่างกายพูดร่างกายเพียงแต่รับหน้าที่ถ่ายทอดคำพูด ที่เราคิดอยู่ในใจเนี่ยถ้าเราไม่คิดเราจะพูดได้ไหมต้องคิดก่อนว่าจะพูดอะไรใช่ไหนะผูนะ้นะที่คิดนั้นไม่ใช่เป็นร่างกายนะพูดที่คิดนี้ไม่มีรูปร่างเหมือนร่างกายนะเป็นเป็นความว่างเหมือนกับเป็นเนี่ยความว่างอยู่เนี่ยไม่มีรูปร่างหน้าตานะ นคนที่รู้จักตัวเองแล้วจึงไม่สนใจกับเรื่องของร่างกายมันจะสวยไม่สวยก็มันไม่ใช่ตัวเราไม่ต้องไปเสียเวลาไปไปเสริมความงามให้มันเหนื่อยว่ะเสริมยังไงเดี๋ยวมันก็แก่มันเนี่ยเหี่ยวย่นอยู่ดีแต่ใจเรานี่แหละจะสวยไม่สวยอยู่ที่ว่าเรามีความสุขหรือไม่สุขเรามีความดีหรือไม่ดีถ้าเรามีความดีเนี่ยเราสวย คนดีนี่รูปน่างกายไม่สวยแต่ถ้าใจดีนี่คนเขารักกันใช่ไหดูพ้าเนี่ยพ้าหัวลนโลเนี่ยทำไมโยมถึงชอบพ้ากันนะลองลองโยมก่อนหัวดูเลยนะแล้วมีใครก็อยากใครก็จะรักกันนะคนเราสวยไม่สวยอยู่ที่ความดีหรือความไม่ดี ถ้ามีศีลเนี่ยน่ารักถ้ามีความเมตตาเนี่ยเอื้อเฟือ้อเผือ่อแผ่แบ่งปันเนี่ยไปที่ไหนก็มีแต่คนรักนผู้ที่มีความเมตตานี้จะเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายเ<อ>มตตา ก, ก็คือเนี่ยมีขนมนมเนยนนก็มาแบ่งกันมาแจกกันเนี่ยแล้ววิธีแผ่เมตตาไม่ใช่ไปแผ่คนเดียวนั่งสวดคนเดียว <laughs> ส่วนนี้มาหาเพื่อนไม่ได้หรอกไม่มีใครก็มาเป็นเพื่อนเราหรอก เพื่อเป็นเพื่อนเราตอนที่เราเอาของมาแจกเนี่ยสมมติมานี่แล้วเอาน้ำมาแจกคนนู้นคนนี้ดูเลยเอาเครื่องดื่มมาแจกเนี่ยเขจะเห็นหน้าเราก็าจะจําเราได้เจอเราที่ไรจะยิ้มทักทายเราเป็นไงจ๊ะสบายดีหรือเปล่าเนี่ยการแผ่เมตตาเนี่ยแด้วยการให้ด้วยการแบ่งปันด้วยการเสียสละด้วยการเมต ไม่เบียดเบียนกันไม่สร้างความทุกข์สร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นเรียกว่าแผ่เมตตาการนั่งสวดมนต์สวดแผ่เมตตานี่ไม่ได้เป็นการแผ่เป็นการสวดเป็นการเตือนใจสอนใจว่าเราต้องแผ่นะสัพเพเวลาสันโหนตุแปลว่าเราต้องให้อภัยไม่จองเวรไม่ใช่พอใครก็ทำอะไรไม่ดีหน่อยโกรธเขาเกลียดเขาแล้วเนี่ยอันนี้ไม่ได้แผ่ ต้องเอาเวลาห่วงตุต้องไม่จองเวรจองกรรมกันอันนี้เกิดเรื่องของใจที่ไม่ตายไม่แก่ไปกับร่างกายเราจะสวยไม่สวยอยู่ที่ความดีมีศีลมีความเมตตามีทานมีทานมีศีลเนี่ยใจเป็นเทวดาเทวดานี้ไปที่ไหนก็มีแต่คนอยากจะอยู่ใกล้ เพราะให้ความสุขแก่ผู้อื่นพวกเราเนี่ยตอนนี้เป็นเทวดากันตอนนี้มีศีลตอนนี้ได้ทำทานกันได้เสียสละแบ่งปันไม่ได้ทำบาปถ้าไปทำบาปเราไปกินเหล้าหรือเราเมาอไปอยู่ที่ไหนคนอยากจะวิ่งหนีไหมเ <c oughs> จอคนเมาันี้ใครอยากจะเข้าหาไหมนั่นแหละเห็นไหมมันอยู่ตรงนั้น อยู่ที่พฤติกรรมการกระทาบาปนี้จะทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนจึงไม่มีใครอยากจะอยู่ใกล้คนทาบาปแต่คนทำบุญนี้ทำตาทำให้ทำประโยชน์ให้แก่ผู้มีแต่คนอยากจะอยู่ใกล้เข้าหาถ้าเราอยากจะมีความสุขใจเรานี้ต้องมีทำบุญอย่าทำบาปใจเราทุกข์นี้ทุกข์ด้วยสองอย่างทุกข์ด้วยบาปอย่างหนึง สองทุกข์ด้วยกิเลสถึงแม้ไม่ได้ทำบาปแต่ถ้ามีกิเลสพอโกรธปั๊บนี่ก็ทุกข์แล้วเวลาโลภก็ทุกข์ละอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้พอไม่ได้ก็ทุกข์ละความทุกข์ของใจเรานี้เกิดขึ้นจากสองสองเหตุเหตุอันแรกคือการทำบาปเวลาเราไปลักขโมยเงินทองของคนอื่นเราเราเราสบายใจไหม เราต้องหวาดวิตกกังวลแล้วจะถูกเขาจับได้หรือเปล่าเขารู้หรือเปล่าไปทำผิดป ร, ประเพณีไปมีชู้อย่างเงี้ยใจจะไม่สบายนะไปฆ่ายิ่ง ง, งไม่สบายใจอะไรไปโกหกก็ไม่สบายใจในนี่ความไม่สบายใจความทุกข์ใจเกิดจากการทำบาปพระพุทธเจ้าจึงสอนว่าถ้าเราไม่อยากจะทุกข์ใจไม่อยากจะ ไม่สบายใจเราอย่าทำบาปนอกจากไม่ทำบาปแล้วก็ยังไม่สบายใจได้อยู่ถ้ามีความโลภมีความโกรธขึ้นมาก็ยังไม่สบายใจพอโลภแล้วมันอยู่ไม่เป็นสุข嘛พอโลภอยากได้ไอันนั้นได้นี่อย่างเช่นวันหวยออกนี่ <c oughs> มกระวนกระวายกันรอดูว่าวันนี้จะออกเลขอะไรกันอันนั้นก็นโลภแล้วพอไม่ถูกก็เสียใจ แต่คนที่ไม่โลภไม่แทงหวยไม่เดือดร้อนเนี่ยฮวันนี้หวยจะออกไม่ออกออกเลขอะไรจะถูกไม่ถูกก็ไม่เดือดร้อนเขาฉลาดเขารู้ว่าความโลภนี้ทําให้เขาทุกข์เขาเลยไม่เอาเขาอยากได้อะไรเขาก็หาหามาด้วยแหล่น้ําพังน้ําแรงของเขาหาได้แน่ๆหาแบบไม่ได้หามาทําไมคนโง่และคนฉลาดเนี่ยแทงหวยแล้วมันไม่ได้เนี่ย ไปทํางานได้เงินทํางานอย่างน้อยแรงงานขั้นต่างก็ได้ละวสามร้อยแล้ ว, แ, ลวแต่เจ้าเอาเงินสามร้อยไปแทงไม่ถูกรางวัลกับเสียเงินสามร้อยไปเี่แล้วก็วุ่นวายใจเสียใจเดือดร้อนใจงั้นอย่าไปโลภพระเจ้าสอนให้มักน้อยสันโดดแล้วจะมีความสุขวิธีแก้กิเลกก็ต้องแก้ด้วยมักน้อยสันโดดเอาน้อย มักน้อยนี่เป็นตรงกันข้ามกับมากมากมากมากก็คือโลกได้คือก็จะเอาศอกได้ศอกก็จะเอาวาได้น้อยก็จะเอาพันใช่ไหมพอได้พันก็อยากจะได้หมื่นใช่ไมันอยากๆเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆแล้วต่อให้ได้มากเท่าไหร่มันก็ไม่สุขเหมือนเดิมเพราะมันมันอยากอยู่นั่นนหะแต่ถ้าไม่มกักมากมักน้อยจะมีความสุขตลอดเวลานะเอาแค่นี้แหละพอพอพอกินได้ก็พอละ ไ ม, ไม่ต้องไม่ต้องกังไม่ต้องมีมากไม่ต้องสะสมมันไม่ต้องไปสะสมกลัวเดี๋ยวพรุ่งนี้จะอดได้ถ้าวันนี้หากินได้พรุ่งนี้ก็หากินได้พวกนกพวกนี้เ ก, ก็เดือดร้อนก็ไม่มีที่เก็บที่สะสมเหมือนพวกเราทำไมเขาอยู่กันได้เขาก็หากินของเขาทุกวันหัดมากน้อยแล้วจะมีความสุขสามโดยก็เคยยินดีตามามีตามเกิดได้มากก็ดีใจได้มากก็ พอใจได้น้อยก็พอใจใช้ไปตามมีตามเกิดมีน้อยก็ใช้น้อยมีมากก็ใช้มากแล้วชีวิตจะไม่ทุกข์จะไม่มีความทุกข์ใจแล้วถ้าอยากจะมีความสุขก็ทำความดีทาความดีเช่นทำบุญทำบุญนี้ทำกับพระก็ได้ทำกับคารวะก็ได้ทำกับโยมก็ได้ทำกับนกกับปลาก็ได้ ปลอยนกป่อยปลาก็ได้บุญให้เงินพ่อแม่ให้เงินญาติพี่น้องให้เงินเพื่อนฝูงใช้เวลาก็เดือดร้อนเราก็ได้บุญบุญคือความสุขใจทําบุญกับพระก็ได้บุญแต่ทำบุญกับพระถ้าได้ไปทำบุญกับพระที่เก่งๆอย่างพระพุทธเจ้าจะได้สองเด้งนอกจากได้ความสุขใจแล้วยังได้ธรรมะได้ความรู้ที่จะทําให้ไม่ต้องกลับมาทุกข์ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดต่อไปนะ ที่เขาสอนว่าให้ทำบุญกับพระให้เลือกพระเพราะว่าจะได้สองเด้งแต่ถ้าเราต้องการเด้งเดียวทำกับใครก็ได้ถ้าต้องการความสุขใจอย่างเดียวทำกับหมาก็ได้เลี้ยงหมาก็ได้ความสุขใจเหมือนกันทำกับพระก็ได้เหมือนกันถ้าต้องการเด้งเดียวเช่นบางทีใส่บาสใส่ก็จบแนละ้วเกมนี้ก็ได้เด้งเดียวเวลาใส่บาสไม่ได้ฟังธรรม ถ้าอยากจะฟังธรรมก็เนี่ยก็ต้องมาตอนบ่ายเช้าใส่บาตแล้วบ่ายก็ต้องมาที่นี่แล้วก็จะได้ฟังธรรมก็จะได้สองเด้งเหมือนเบต้มน้ํามันรถเน่ยบางปั๊มไม่ก้าแจกของใช่ไหมได้สองเด้งได้น้ํามันแล้วก็ได้ของแถมได้ผ้าขนหนูได้ยาสีฟันได้ได้แปรงได้แปรงสีฟันบางปั๊มก็ไม่มี ถ้าอยากได้ของถามก็ต้องเลือกปั๊มที่มีของแถมจะได้จะได้สองเด้งแต่ถ้าต้องการน้ำมันอย่างเดียวก็ปั๊มไหนก็ได้ถ้าต้องการความสุขใจอย่างเดียวทําบุญกับใครก็ได้ทําบุญกับพระก็ได้ทําบุญกับพ่อกับแม่ก็ได้ทําบุญกับพี่กับน้องทําบุญกับเพื่อนทําบุญกับคนยากจนทําบุญกับคนพิการทําบุญกับใครก็ได้ทั้งโรงพยาบาลโรงเรียนอันนี้จะได้เด้งเดียว แต่ถ้าทํากับวัดทํากับพระที่มีธรรมะก็จะได้สองเด้งถ้าทํากับพระที่ไม่มีธรรมะก็ได้เด้งเดียวดังนั้นเขาถึงสอนว่าถ้าอยากจะได้ธรรมะนี้ต้องเลือกพระก็จะได้ได้ประโยชน์มากน้อยต่างกันเช่นทําบุญกับพระสวะสดาบาล น, นี่ได้หนึ่งเท่าทําบุญกับพระสกิษษิดาคามีได้สิบเท่าเพราะความรู้ท่านมากกว่าท่านมีธรรมะมากกว่ากัน ทำบุญกับพระ อ, อนาคามีก็ได้ร้อยเท่าทำบุญกับพระอรหันต์ก็ได้พันเท่าทำบุญกับพระพุทธเจ้าก็ได้หมื่นเท่าถ้าได้ทำบุญกับพุทธเจ้าฟังธรรมหนเดียวบรรลุเลยเห็นไหมสมัยพุทธกาลนี้พุทธเจ้าแสดงธรรมให้คนที่มีบา ร, รมีฟังหนเดียวเขาก็บรรลุเป็นพระอรหันต์ได้เลยบา ร, รมีที่ต้องมีก็คือมีศีลมีสมาธิอยู่แล้ว พอแสดงปัญญาเขาก็บรรลุเลยมีดวงตาเห็นธรรมขึ้นมาเลยแต่พวกที่ไม่มีสมาธิฟังไปยังไงก็ไม่มีวันบรรลุเนี่ยพวกนี้มาฟังเนี่ยไม่มีวันบรรลุละเพราะยังไม่มีสมาธิกันสักคนวาง ก, ากันบรรลุกี่ร้อยครั้งแล้วเลิกเลิกถ่ายเซลฟี่ได้ยัง <S <S <laughs> เลิกซื้อกระเป๋าได้ยังเลิกซื้อรองเท้าได้ยัง คอนนี้บรรดุเขาไม่เอาแล้วของตรงนี้รถแห่งธรรมชนะรถทั้งปวงรองเท้ามันจะมีรถอะไรเหมือนจะตายลย <c oughs> <c oughs> สุ้ธรรมะดีกว่าหวานเจี๊ยบเลยรถแห่งธรรมนี้ชนะรถทั้งปวงจิตสงบแล้วโอวไม่มีเะไรจะสุขเท่าท่า <c oughs> นถึงบอกว่าไม่มีความสุขอื ừ, นยิ่งยิ่งกว่าความสุขที่ได้จากความสงบ นี่แหละลดแห่งธรรมเป็นสิ่งที่วิเศษกว่าสิ่งต่างๆที่เราจะได้ความสุขที่ได้จากการการทำบุญนี้สู้ความสุขที่ได้จากการบรรลุธรรมไม่ได้พอบรรลุธรรมนี่โอ้โหมันเป็นความสุขระดับมหาเศรษฐีเลยความสุขที่จากการทําบุญนี้เป็นระดับของคนคนมีฐานะธรรมดาธรรมดาพอมีพอกินพอมีความสุข แต่ก็ไม่มากเหมือนกับมหาเศรษฐีอ่านี่คืเรื่องของจิตใจเรื่องของธรรมะที่พวกเราควรที่จะจับมาพบกันให้ได้ใจนี้ไม่ต้องการอะไรใจต้องการธรรมะธรรมะนี้เป็นคุณเป็นประโยชน์กับใจแต่ราบยกสารเสริญุ่งเสียงเกิดรสนี่เป็นโทษกับใจที่ใจทุกข์กันทุกวันนี้ก็ทุกข์กับราบยศสารเสรลเนี่ย ทุกตอนที่มันหายไปไม่ใช่อะไรตอนที่มามันไม่หายตอนที่มามันไม่ทุกข์หรอกตอนที่ได้เงินมันไม่ทุกข์มันทุกข์ตอนที่มันหายไปตำแหน่งเวลาได้มามันไม่ทุกข์หรอกมันทุกข์ตอนที่มันหมดไปมันต้องทุกข์เพราะว่าทุกอย่างมันไม่เที่ยงมันมาแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องไปเวลามาก็ดีใจกันแต่ลืมไปว่าเดี๋ยวมันต้องไปพอมันไปก็ร้องหหมร้องไห้ บางคนทนไม่ไหวก็กระโดดตึกตายกันฆ่าตัวตายกันเวลาสูญเสียอะไรไปมากๆนี่ไม่มีความสุขเลยมีแต่ความทุกข์ก็เลยไม่อยากจะอยู่คิดว่าฆ่าตัวตายแล้วจะหนีจากความทุกข์ได้ก็หนีไม่พ้นอีกฆ่าตัวตายก็ไปเกิดใหม่ไปเกิดใหม่แล้วก็มาอยากได้เงินทองใหม่อยากได้ลาบยศสริเสริญใหม่พอได้มาแล้วเดี๋ยวสูญเสียก็ฆ่าตัวตายใหม่อันนี้ไม่ใช่วิธีแก้ปัญหา วิธีแก้ปัญหาต้องเอาธรรมะมาสอนใจให้รู้ทันว่าลาบยศสารเสรนมันไม่เที่ยงอย่าไปพึ่งมันอย่าไปอยากได้มันถ้าได้มาก็อย่าไปยึดไปติดมันต้องคิดเสมอว่าเดี๋ยวจะต้องคืนเข้าไปเป็นเหมือนของยืมเข้ามาถ้าเรารู้ว่าเราเป็นเรายืมของเข้ามานี้เราไม่ค่อยยึดติดใช่ไหมยืมกระทะเข้ามาเดี๋ยวเสร็จแล้วก็ต้องไปคืนเขาออแต่ถ้าไปซื้อมานี่ยยึดติดแลว้วเป็นของเราแล้ว พอใครมาขโมยไปทุกแล้วน ะ, ะยังต้องคิดว่าทุกอย่างไม่ว่าจะยืมมาแลืวซื้อมานี้เป็นของยืมเั่านั้นมันมีโอกาสที่จะต้องจากเราไปได้เสมอวันใดวันหนึ่งเช้าหรือเ็วเท่านั้นเองถ้าเรามีธรรมะแล้วเราจะไม่ทุกข์กับสิ่งต่างๆเราจะไม่ต้องกลับมาเกิดมาแกมาเจ็บมาตายต่อไปอธรรมะที่ต้องมีก็คือศีลสมาธิปัญญา ก่อจะมีศีลสมาธิปัญญาได้ก็ต้องทําทานก่อนต้องสละทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองให้หมดเลยไม่ใช่แค่บาทสองบาทร้อยสองร้อยมีเท่าไหร่เงินในธนาการเท่าไหร่ถอนออกมาหมดเอาไปยกให้คนอื่นไปโอนให้คนอื่นไป ห, หมดเพื่อจะได้ไปบวชได้พวกที่ไปบวชนี่เขาไม่มีเงินทองติดตัวไปเขาจะได้ไม่ต้องมากังวลกับเรื่องเงินทองเนี่ยเขาจะได้มีเวลามาสร้างศีลสมาธิปัญญาได้อย่างเต็มที่เนี่ย ถ้ายังไม่มีถ้ายังมีทรัพย์อยู่ไม่ว่าต้องทําทานก่อนทําทหมดแล้วก็ไม่ ต, anyway. cheap, ต้องทำแล้วนี้ก็ไปสร้างศีลสมาธิปัญญาต่อพอมีศีลสมาธิปัญญาก็มีเกาะคุ้มครองใจความทุกข์จะไม่สามารถทะลุเข้ามาในใจได้ต่อไปถึงแม้จะอยู่กับความทุกข์ก็ไม่ทุกข์อยู่กับร่างกายก็ไม่ทุกข์ร่างกายแก่ก็ไม่ทุกข์ร่างกายเจ็บก็ไม่ทุกข์ร่างกายตายก็จะไม่ทุกข์ อาแล้วนะมีคําถามไหมเดี๋ยวพูดยาวไปเดี๋ยวไม่มีเวลาตอบคาถามค่ะคำถามฝากถามค่ะอยากไปบวชชีถือศีลแปดที่วัดป่าแต่เนื่องจากรับประทานอาหารได้มื้อเดียวข้าพเจ้าจําเป็นต้องต้องกินยาสามเวลาในบางวันอย่างนี้ต้องทําอย่างไรคะสามารถดื่มนมหรือน้าเต้าหู้ก่อนทานยาได้ไหมคะแล้วจะบาดไหมคะก็ทานมันที่เดียวพร้อมกั น, ปนไปเลยก็หมดเรื่อง ก็กินเมื่อเดียวกินยาสามสามเม็ดไปเลยแต่มันรู้แล้วรูรอดไปคำถามเจ้าคุณบีบค่ะคนที่ขายตัวผิดศีลข้อสามหรือไม่คะและคนที่ไปใช้บริการไม่ว่าโสดหรือแค่มีแฟนหรือแต่งงานแล้วผิดศีลข้อสามด้วยหรือไม่ครับน่าจะผิดนะเพราะมันผิดประเพณนะีคนนี้เขาจะร่วมเพศกันนี้เขาต้องเป็นสามีภรรยากันตามประเพณีของมนุษย์ นี่เป็นประเพณีของเดลอาชานนะเนี่ยเดลอาชานเขาไม่ต oi ้องไม่ต yeah. ้องมีสามีไม่ต้องมีภรรยาเขาเจอกันที่ไหนเขาก็จะเอีกันเมื่อไหร่เขาปิ้งกันเมื่อไหร่เขาก็ไปกันเมื่อนั้นใช่ไหมไม่ต้องเสียเวลามาสู่ขอไม่ต้องเสียเวลามามั่นสมัยนี้ไม่มีการมั่นแล้วไหมสมัยก่อนยังมีการมั่นมงแต่นี้เล่นมั่นเช้าแต่งเย็นเลย ที่เขาให้มันเขาให้ทดสอบดูใจกันว่าจะอยู่ด้วยกันได้ไหมเพราะการแต่งงานนี่มันเป็นเรื่องใหญ่เรื่องเกี่ยวข้องกับครอบครัวสองครอบครัวแล้วต้องอยู่กันไปจนวันตายนี่คือธรรมเนียมของมนุษย์แต่ตอนนี้มนุษย์ไม่ยอมใช้ธรรมเนียมของมนุษย์แนละ้วชอบยืมธรรมเนียมของเดรฉานมาใช้กันนี่ก็เรียกว่าผิดประเพณีของมนุษย์ คำถามจากคุณซาร่าการทําบุญสร้างพระกับการถือศีลอันไหนดีกว่ากันครับมันก็ดีไงคนละอย่า ง, างสร้างพระมันก็ดีอย่างที่เราได้เสียสละเงินทองแล้วก็มีพระพุทธ ร, รูปไว้ให้กราบไหว้บูชารักษาศีลมันก็ดีอีกอย่างรักษาศีลก็ไม่ต้องไปเกิดในอบายแต่ถ้ารักษาศีลไม่ได้ทําบุญก็จะไม่ได้ไปสวรรค์ เพราะว่าไม่ไม่มีบุญที่เกิดจากการให้ทานกัรมาเกิดชาติหน้าก็ยังยากจนอยู่เหมือนเดิมเพราะว่าไม่ได้ทำบุญเอาไว้แต่พวกที่ทำบุญนี้เราก็รักษาศีลด้วยนะเวลาตายไปก็ไปเป็นเทวดาไปสวรรค์เวลากลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็มีเงินทองรองอยู่มีเงินที่ฝากไวนะ้เงินที่เราทำบุญนี่เป็นเหมือนเงินฝากงั้นมันดีคนละอย่าง ควรจะทำทั้งสองอย่างอย่ามาเล่นเล่นเชิงแบบสีถนนชัยเลยอันไหนดีกว่ากันมันมันจำเป็นทั้งสองอย่างเหมือนกินข้าว ก, กินกับอันไหนดีกว่ากันนะนะมันก็ต้องกินทั้งสองอย่างมันถึงจะได้ครบกินข้าวด้วยกินกับด้วยกินขนมด้วยกินกินผลมไม้ด้วยกินให้มันครบสี่เหล่านั้นบุญที่พระเจ้าให้เราก็มีอยู่สี่มีทานมีสี ม, สมสีสมาธิมีปัญญา ก็ต้องทำให้มันครบทั้งสี่มันถึงจะได้สมบูรณ์มันจะได้ครบทั่วทุกอย่างคำถามจากคุณเจนจิตกับสติต่างกันอย่างไรครับจิตก็คือผู้รู้สติก็เป็นผู้กากับผู้รู้ผู้คอยคอยคอยควบคุมผู้รู้ให้คิดให้ไม่คิดถ้าจิตเป็นรถยนต์สติก็เป็นเบรกลถยนต์ นอนยนถ้าไม่มีเบรกเดี๋ยวก็วิ่งชนคนนั้นคนคันนี้ใช่ไหมจิตที่ไม่มีสติเดี๋ยวก็ไปทุบตคีคนนั้นคนนี้คนเมานี่ไม่มีสติพอเมาแล้วก็อารวาสนั่นแหละพราะตอนนั้นไม่มีเบรกแล้วไม่มีสติมีแต่จิตแต่จิตเมาจิตจิตคิดไม่ดีจิตก็เลยไปสร้างความเสียหายให้แก่ผู้คําถามจากผู้ไม่ประสองค์ออกนามค่ะ สมัยก่อนเคยไหว้เจ้าไหว้เทวดาไหว้เจ้าที่เตรียมของไหว้ทีไรเยอะๆแต่ปัจจุบันพอนั่งสมาธิและปฏิบัติธรรมเยอะๆก็เลิกไหว้แล้วทําบุญใส่บาตรถวายสังฆทานนั่ยงสมาธิแผ่บุญให้บรรทัศบุตรแทนแบบนี้ถูกต้องแล้วใช่ไหมเจ้าค ะ, ะให้ทําทานรักษาศีลเนี่ยงสมาธิแล้วก็ฟังเทศน์ฟังธรรมให้เกิดปัญญาต้องเอาทอาหารให้ครบสี่หมู่ อาาที่เรากินต้องมีข้าวมีกับมีผ ล, ลไม้มีมีของหวานอะไรต่างๆให้ครบบริบูรณ์ร่างกายจะได้แข็งแรงจิตใจเราก็ต้องอาหารอาหาร4ี่สีม่มูต้องการทานต้องการสิงต้องการสมาธิต้องการปัญญาข้อ2ค่ะการถวายข่าพระพุทธลูกแล้วเขาบอกว่าถวายพระพุทธจริงๆแล้วคืออะไรคะ ก็ถวายตุกตาไงพระพุทธรูปก็คือตุกตานี่ไม่ใช่พระพุทธเจ้าเป็นเพียงแต่สั ญ, ญลักษณ์หรือเ ป, เป็นเป็นเป็นเหมือนป้ายโฆษณาบอกว่านี่ไอคิดถึงพระพุทธเจ้านะพระพุทธเจ้าคือาศาสดาของพวกเราเป็นอาจารย์ของพวกเราถึงแม้ว่าตอนนี้ท่านไม่อยู่แล้วแต่คําสอนของท่านยังอยู่ยังเป็นตัวแทนของท่านได้ให้ไปหาคําสอนให้ไปฟังเทศฟังธรงธรม ใ, ให้ไปปฏิบัติธรรม ไม่ใช่ให้เอามาเอาเข้ามาให้กับตุ๊กตาตุ๊กตาก็กินไม่ได้เสียข้าวไปเปล่าๆคาถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามพบผู้ปฏิบัติท่านหนึ่งจิตใจดีชอบทําบุญชอบเข้าหาครูบาอาจารย์แต่เมื่อได้พูดคุยเขาพูดว่าเขาบรรลุแล้วเขาจิตสะอาดมากจิตเมตตาไม่มีประมาณเป็นไปได้ไหมที่เขาจะบรรลุได้แล้วได้เจมึงเจอะ เียงแต่ว่ามันก็ใครๆก็พูดได้เมันก่อนเอาทองคํามาขายบอกทองแท้นี่ยเราจะไปรู้ว่าเป็นทองแท้แล้วเปล่ปาเราก็ต้องไปพิสูจน์ก่อนเพียงแต่ฟังเฉยๆมันยังไม่สามารถที่จะรู้จริงว่าเขามันรู้จริงหรือเปล่าก็ต้องให้เขาทาข้อสอบเลยเหมือนเด็กว่าผมจบปริญญาตรีมาแล้วเราก็ข้อสอบปริญญาตรีให้เขาสอบดูถ้าเขาทาได้ก็แสดงว่าเขาจบจริงใช่ไหม แต่ถ้าเขาทาไม่ได้เขาก็สแสดงเขาจบไม่จริงเห็นกหมเขาเขาก็มีการทดสอบกันแต่เวลาทดสอบนี่เขาไม่บอกกันทัานนั่นงถ้าบอกกันแล้วมันหลอกกันได้เวลาทดสอบก็จะทดสอบแบบไม่ให้รู้ว่าทดสอบถึงจะรู้กันจริงๆถ้าถ้าทดสอบด้วยการถามนี่มันยังไม่ยังไม่ยั ง, ย, งยังไม่ใช่ทดสอบด้วยการให้อยู่ในเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง เป็นจับไปโยนเข้าไปอยู่ในกองกองเสืออย่างเงี้ยดูว่้เกาบรรลุหรือเปล่าดูปฏิกิริยาเขาว่ า, าเขาเป็นยังไงถ้าโยนเข้าไปกองเสือแล้วก็โวยวายนี่ก็ยังไม่บรรลุถ้กากระโดไปกองเสือแล้วก็ไปเล่นกับเสือได้เนี่ยบรรลุเล่นได้ไหมเล่นได้กับเสือเปล่าพอเจอเสือก็ไปกอดมันเลยแผนเมตตาให้มันเนี่ยคาถามจากผู้ฝึกถาม คนที่เกิดมาเป็นคนไทยถ้าชาติหน้าจะเกิดมาเป็นคนไทยอีกได้ไหมคะแล้วคนที่เกิดมาแล้วเป็นสัญชาติอื่นๆมีเหตุปัจจัยมาจากอะไรครับการมาเกิดแต่ที่นี่มันไม่มีอะไรที่จะมันไปกำหนดกันได้มันแล้วแต่จังหวะเหมือนขับรถหาที่จอดรถนี่ไปจองว่าจะจอดตรงนี้ทุกครั้งได้ปะ่ะใช่ไหม เอาไปที่ b ิ๊กซีหรือไปที่ศูนย์การค้าดูแล้วขับไปบอกทุกครั้งที่ฉันมาฉันจะมาจอดตรงนี้นอกจากเป็นเจ้าของบริษัทนั่งเขาก็จะอาจจะเก็บที่ไว้ให้การมาเกิดก็เหมือนกันจังหวะที่จะได้เกิดเป็นอะไร ม, ม, มันมีเหตุมันมีเหตุมีปัจจัยหลายอย่างมีทั้งศีลบริสุทธิ์หรือเปล่ามีอะไรมันไม่รู้พระพุทธเจ้าบอกว่ามันเป็นอจินไตเป็นสิ่งที่เราไปคาดคะเกันไม่ได้ เรื่องของกรรมเรื่องของกฎแห่งกรรมนี่เพราะการมาเกิดนี่มันมีกฎแห่งกรรมมาเกี่ยวข้องด้วยทำบาปมากน้อยเท่าไรทำบุญมากน้อยเท่าไรอาจจะมาเกิดในยุคไม่มีคนไทยแล้วจะไปเกิดเป็นคนไทยได้ยังไงใช่ไหอคนไทยอาจจะหมดไปแล้วก็ได้สูญพันธุ์ไปอกลายเป็นพ่อหลังไปหมดแล้วก็ได้มันไม่แน่การเวลามันเปลี่ยนไปศึกษาประวัติของคนไทยเรียเริ่มต้นมากี่ปีใช่ไหมแล้วก่อนหน้านั้นเป็นอะไรอ่ะ ใช่ไหมมันก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอยู่เรื่อยๆแต่อย่าไปสนใจเลยมันมีอาการ32เหมือนกันทั้งนั้นแหละเราจะดีชั่วมันก็ไม่ได้อยู่ที่เป็นคนไทยหรือเป็นคนฝรั่งหรือคนจีนหรอกมันดีชั่วจะสวยไม่สวยมันสวยที่ใจมากกว่าดีที่ใจมากกว่าอย่างนขอให้ทําบุญทําทานรักษาศีลนะแล้วกรรมมาเกิดมันจะได้ร่างกายที่ดีร่างกายที่สวยผิวพรรณผ่องใส อายุยืนยาวนานอาการครบสาสิบสองนี่เป็นอนิสงส์ที่เกิดจากการทำบุญทําทานรักษาศีลไม่เบียดเบียนผู้อื่นแต่จะเป็นชาติแล้วไม่สำคัญหรอกใช่ไหมอันนี้เขาประกวนนางงามเขาก็มาจากทุกชาติได้ใช่ันางงามจั ก, กรวาล น, นี่เป็นชาติผิวดำยังเป็นนางงามจั ก, กรวาลได้เลยคำถามจากคุณทันธิภาค่ะ เวลาดิฉันทํากับข้าวทานข้าวแล้วเปิดธรรมะพระอาจารย์ฟังดิฉันจะเป็นบาปไหมคะอ๋อไม่บาปแต่จะฟังไม่ได้ครบเต็มเต็มร้อยฟังไปกินไปฟังอะไรเดี๋ยวเวลากินก็ลืมเนอพูดกับฟังอะไรอยู่ใจมันวิ่งไปวิ่งมามันไม่อยู่กับเรื่องเดียวถ้าอยากจะฟังให้มันได้เต็มร้อยนี่ต้องนั่งเฉยๆตั้งใจฟังถึงจะได้ประโยชน์เหมือนเด็กนักเรียนเนี่ยทำไมเขาไม่ให้เด็กนักเรียนกินอาหารในห้องเรียนอะ ใช่กินแล้วมันครูสอนก็ฟังไม่รู้เรื่องยอะงนั้นเวลาที่ต้องการความรู้ควรที่จะนั่งฟังอย่างเดียวดีกว่าแต่ถ้าจำเป็นจริงๆชีวิตมันมันมีเรื่องมากมีธุระมากอยากจะฟังไปด้วยทำไปด้วยก็ได้แต่มันจะไม่ได้แบบจับมือสองจับปลาสองมือเนี่ยจับสองตัวสองมือมันไม่บั่นเดี๋ยวมันก็หลุดไปทั้งสองตัว แต่ถ้าจะจับปลาตัวเดียวสองมือดีกว่ามันจะจับได้แน่แน่เนี่ถ้าจะเอาอะไรเอามันอย่างเดียวดีกว่าอย่าโลภมากถ้าจะกินข้าวก็กินไปกินข้าวก็ปฏิบัติทำได้กินข้าวให้มีสติอยู่อาการกินเลยให้รู้อยู่กําลังกินอะไรกําลังตักข้าวเข้าปากกาลังเคี้ยวกําลังกลืนให้รู้แค่นี้อย่างนี้ก็เรียวกว่ามีสติอย่าไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เอาอย่างนี้ดีกว่าถ้าถ้าจะเอาธรรมะก็เอา ถ้าจะกินข้าวก็เอาสติถ้าจะฟังธรรมก็หยุดกินแล้วก็นั่งฟังอย่างเดียวก็จะได้ปัญญามันได้ต่างกันขึ้น อ, อยู่ว่าเราต้องการอะไรคําถามจากคุณบีบีค่ะศีลแต่ข้อที่ห้ามนอนบนที่นอนนุ่มๆถ้าเราถือศีนแต่ที่ห้องแคบๆมีเตียงแต่ใช้ฟูกบางๆเปลี่ยนหมอนเป็นหมอนชนิดที่แข็งๆ แ, แบบนี้ได้ไหมครับ ก็คือเป้าหมายก็คือไม่ต้องการให้มันสบายให้พักผ่อนให้ร่างกายถ้ามันเหนื่อยมันง่วงมันนอนบนพื้นชนิดไหนมันก็หลับแล้วพอมันได้พักผ่อนพอมันก็จะตื่นที่ปัญหามันอยู่ที่ว่าถ้ามันเป็นเป็นเป็นเบาหนุ่มๆหนาๆมันสบายมันจะไม่อยากรุกแล้วมันจะนอนต่อมันจะทําให้สูญเสียเวลามีค่าที่เราจะไปใช้ในการปฏิบัติ แต่ถ้าเรานอนบนพื้นที่ไม่สบายพอรู้สึกตัวตื่นขึ้นมามันก็จะไม่อยากนอนก็จะลุกขึ้นมานั่งสมาธิต่อฉะนั้นก็ต้องดูว่ามันสบายหรือเปล่าสิ่งที่เราปูนี่ทำให้เราสบายหรือเปล่าถ้าสบายเวลาร่างกายได้พักผ่อนตื่นขึ้มาแล้วไม่ยอมลุกก็อย่าไปใช้มันมเราต้องการเวลาอันมีค่านี้มาใช้กับการปฏิบัติ ร่างกายมันได้พักผ่อนพอแล้วพอมันนอนหลับแล้วมันตืน่นนี่แสดงว่ามันพอแล้ว ม, มันไม่ต้องการมากไปกว่า น, นี้สิ่งที่ถ้าเรานอนต่อมันก็เป็นกิเลสไปแทนที่จะ เ, เวลามาฆ่ากิเลสก็เอาเวลามาเลี้ยงกิเลสต่ออก็เลยสวนทางสวนกับเจตนาของการมาถือศีลแปดการมาถือศีลแปด ก, ก็เพื่อมาฆ่ากิเลสไม่ใช่มารับใช้กิเลสแล้วงั้นอนให้น้อยน้อย ร่างกายนี้ต้องการพักผ่อนคืนหนึ่งก็สี่ห้าชั่วโมงก็พอพอมันได้นอนสักสี่ห้าชั่วโมงมันจะตืน่นนะแต่ถ้านอนมันฟุงน้งหนาะยิ่งมีหมอนข้างด้วยแล้วยิ่งยาวใหญ่เลยแชั่วโมงเก้าชั่วโมงนู่นก็กลายเป็นหมูไป่อาจารย์ครับทำไมคนปฏิบัติก น, น, น, นียิ่งนอนน้อยยิ่งมีสติมาก นนเวลานอนหลับมันก็ไม่มีสติเลยมันพอ ม, นมันไม่นอนมันก็จะเอาเวลาที่ตื่นนี่มามาเจริญสติปลูกสติมาแต่คนที่นอนน้อไม่มีสติก็มีคือพวกที่ไม่ได้ปฏิบัติเนี่ยเขาก็ไม่มีสติอยู่ดีแต่พวกปฏิบัตินี่พอเขาตื่นปับ๊บเขาตั้งสติเลยพุทโธเลยพุทโธเวลาที่เขาใช้กับการสร้างสติมากเท่าไหร่มันก็จะทำให้มีสติมากขึ้นไปเท่านั้นถึงบอกว่าอย่านอนเลยอย่ะ นอนพอพักผ่อนร่างกายก็พออย่าหาความสุขจากการหลับนอนมันเป็นความสุขประเดียวประเดาสึ่เอาความสุขจากการสร้างสติไม่ได้พอมีสติแล้วเราจะทําใจให้สงบเราจะทําให้มีความสุขมากกว่าความสุขที่ได้จากการหลับนอนครับถามจากคุณธนกิจเราจะรักษาสติในเวลาหลับได้ไหมครับตอนนี้เวลาหลับเกิด ความฝันเหมือนมีตัวรู้ว่าเราฝันอยู่แต่พยายามควบคุมไม่ให้มีอารมณ์ไปตามความฝันพยายามเป็นผู้ดูแต่ถ้าพยายามควบคุมมากๆตัวรู้ก็ออกมาเกาะที่กายเลยตื่นขึ้นมาเราควรจะทำแบบไหนเวลาเกิดความฝันขึ้นมาครับก็ปล่อยมันฝันไปมันไม่เป็นพิษเป็นภัยอะไรมันก็ฝันนะเพียงแต่ว่าทำให้เราสุขหรือทุกข์ในขณะที่ฝันนั้นเองพอตื่นขึ้นมามันก็หายไปหมดแล้ว ถามจากคุณนกซื้อสเปรย์กันยุงตะไคร่หอมมาตั้งใจถวายลูกเนนและเนนอื่นๆแต่ไม่ได้ถวายดิฉันสามารถนําไปถวายพระรูปอื่นเนนรูปอื่นได้หรือไม่เจ้าคะได้ถวายใครก็ได้เท่านั้นอนอกจากว่าเราไปทําสัญญากันเนนไว้ก่อนหรือเปล่าถ้าเราทําสัญญาเราจะซื้อมาถวายเนรเราก็นั่งไปถวายเนนเพื่อไม่ให้เสียสัตว์จากแต่ถ้าเราตั้งใจแต่เราไม่ได้บอกเนรก็เราเปลี่ยนใจได้อาจจะเบื่อเนน รูปนี้เราอยากจะถวายในรูปนั้นก็เปลี่ยนได้แต่ถ้าไปบอกในวันเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเอาเอาของมาให้นะถ้าบอกแล้วนี่มันก็ต้องทำตามที่เราบอกไม่นเราจะเสียสัจจะเราจะโกหกเป็นลิงหลอกเจ้าเข้าใจไหมคำถามจากคุณวันมิชาข้าพเจ้าได้ปฏิบัติธรรมจนเห็นชัดเจนถึงการเกิดมานี้เป็นทุกข์ แต่ผู้เป็นมันดาข้าพเจ้าไม่เข้าใจทั้งที่ข้าพเจ้านั่งอธิบายให้ฟังโดยใช้ธรรมะเข้าช่วยแล้วและต้องการให้ข้าพเจ้ามีหลานให้ทุกวันนี้ข้าพเจ้าก็ยังปฏิเสธเรื่อยมาจนแม่ข้าพเจ้าไม่รู้จะทดแทนบุญคุณทําให้พ่อแม่มีความสุขจากการมีหลานให้ข้าพเจ้าก็เลยวางเฉยไม่ทําตามที่มัรดาต้องการข้าพเจ้าจะมีบาปไหมคะไม่บาปหรอกการทดแทนบุญคุณไม่จําเป็นจะต้องทดแทนด้วยการมีลูกมีหลานหรอก คอยเลี้ยงดูพ่อแม่ต่อไปก็แล้วกันเวลาแก่เท่าไม่มีปัญญาหรือตกทุกข์ได้ยากก็เลี้ยงดูท่านอุปธรรมอุปถากท่านอันนี้แหละเป็นการทดแทนบุญคุณที่แท้จริงให้ท่านอยู่อย่างมีความสุขแต่เรื่องกิเลส ข, ของท่านนี่เราก็ไม่ต้องตอบสนองหรอกท่านก็คิดไปตามภาษาของคนมีกิเลสถ้าคนมีธรรมะไม่คิดอย่างนี้หรอกคนธรรมะจะอนุโมทนากับลูกสาวว่าไม่อยากมีหัวดีแล้วไม่อยากจะ กลับมาเกิดนะดีแล้วอนุโมทนาแต่ถ้าคนมีกิเลสก็ห่วงวิตกกังวลต่อไปทรัพย์สมบัติที่มีอยู่นี้ใครจะมาเอาไปให้คนอื่นก็เสียดายก็อยากจะมีลูกมีหลานมารับสมบัติข้อที่สองแล้วมันดาบอกว่าถ้าปฏิบัติขนาดนั้นก็ไปบวชซะแบบนี้มันดาข้าพเจ้าจะเป็นบาปไหมครัะไม่บาปแล้วก็ดีถ้าเขาอนุญาตก็ไปเลยสิ ถ้ามก็พูดจริงๆอนุโมท น, นาสาธุก็ไปเลยเอลัวเขาจะพูดประชดมากกว่าถ้าประชดก็อย่ากพึ่งไปเดี๋ยวไปจริงๆแล้วเดี๋ยวจะร้อ ง, องห่มร้องไห้แต่ถึงเวลาต้องไปก็ไปพระพุทธเจ้ายังไปเลยพ่อก็ร้อ ง, องห่มร้องไห้เมียลูกเมียก็ร้รอ ง, องห่มร้องไห้แต่มันถึงเวลาต้องไป คำถามจะคุณบีบีค่ะทําไมทางการแพทย์ถึงต้องให้นอนเยอะพอนอนน้อยบอกจะเสียสุขภาพทําให้ความจําแย่สารพัดแย่ถ้าจนกลัวเลยครับเพราะทางทางการแพทย์ไม่รู้เรื่องทางทางจิตใจว่าเป็นอย่างไรแพทย์หมอทุกคนนักศึกษาแพทย์ทุกคนอาจารย์หมอทุกคนไม่ได้ปฏิบัติทําก็เลยไม่รู้เรื่องของจิตใจเรื่องของความต้องการที่แท้จริงของร่างกายว่าต้องการมากน้อยเพียงไร เขาก็เลยต้องว่าไปตามความรู้ของเขาเพราะก็เอาร่างกายมารับใช้กิเลสเนี่ยก็เลยต้องนอนมากเอาร่างกายมาทํางานหาเงินพอได้เงินก็ต้องไปเที่ยวกันไปเที่ยวมากๆมันก็เหนื่อยก็ต้องพักผ่อนทํางานมากๆมันก็ต้องพักผ่อนมากๆแต่ถ้าเอาร่างกายมาปฏิบัติธรรมนี่มันไ ม, ไม่ไม่ได้ใช้งานมากมันก็เลยไม่จําเป็นจะต้องพักมากเด mm hmm. ินโยกมมนั่งกัสมาธินี่มันจะใช้งานมากมายกายกองเลยใช่ไหม เดินมวยก็นั่งนั่งมวยก็เดินก็มีแค่นี้แต่ถ้าทํางานเดี๋ยวไปแบกข้าวแบกของใช่ไหมไปเที่ยวก็ต้องแบกกระเป๋าแบกอะไรพลุนพลังไปหมดมันก็เลยต้องพักผ่อนมากนั่นมันมองคนละมุมกันเขาไม่เคยปฏิบัติธรรมเขาไม่รู้เรื่องของของธรรมว่าเป็นอย่างไรคาถามจากคุณนันทชน ช่วงนี้มีผู้คนแจกจองกระถินมากแต่ข้าพเจ้าไม่ศรัทธาที่จะทำบุญแบบนี้แสดงว่าเราคิดไม่ดีกับศาสนาหรือเปล่าคะถ้าไม่มีศรัทธากับทำบุญเลยก็ไม่ไม่ดีแต่ถ้าไม่ศรัทธากับวัดนั้นวัดนี้ก็ไม่เป็นปัญห า, แ ต, าแต่เราต้องมีศรัทธาในการทำบุญถ้าเรามีกำลังที่ทำบุญได้เราควรจะทำแต่เราเลือกวัดได้เพราะวัดก็เหมือนกับมหาวิทยาลัยมีหลาย หลายระดับมีมาวิทยาลัยที่ดีก็มีมาวิทยาลัยที่ไม่ค่อยดีก็มีเพรานั้นถ้าเราอยากจะสนับสนุนพวัดว่าเราก็อยากจะสนับสนุนวัดที่ดีเพราะวัดที่ดีจะจะผลิตพระที่ดีออกมาถ้าวัดที่ไม่ดีก็จะไม่ได้ผลิตพระที่ดีออกมาคําถามจากคุณพรมมิตร การภาวนาคําว่าพุโทโธพุธโทโธเราต้องภาวนาให้สอดคล้องกับลมหายใจเข้าออกเช่นพุทเข้าโธออกหรือว่าภาวนาพุโทธโธพุทโธไปเลยโดยไม่ต้องเกี่ยวข้องกับลมหายใจเข้าออกครับ<ณ>ก็อยู่ที่ว่าเราอยู่ในท่าไหนถ้าเราอยู่ในกําลังทําอะไรอยู่เนี่ยถ้าเราใช้พุโทโธอย่างเดียวเพื่อควบคุมความคิดไม่ให้คิดฟุ้งซ่านอย่างเช่นลื่นตาขึ้นมาเต MAN, ือนขึ้นมาแล้วก็พุโทโธพุธโทโธไปอยู่กับพุโทโธแล้วทํางานอะไร อาบน้ําแต่งตัวล้างหน้าแปรงฟันก็พุโทโธพุโทโธไปเพื่อไม่ให้ใจไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ให้ใจไม่ให้คิดเกิดความฟุ้งซ่านขึ้นมาแต่เวลาเรานั่งสมาธินั่งเฉยๆนั่งหลับตานี่เราสามารถทําได้สองแบบใช้พุโทโธอย่างเดียวบริกรรมพุโทโธพุโทโธไปอย่างเดียวไม่ต้องดูลมหรือถ้าเราอยากจะใช้ดูลมแล้วก็พุโทโธด้วยก็ได้เช่นลมหายใจเข้าก็อาพุท ลมหายใจออกก็ว่าโทอันนี้แต่มันจะเหมาะกับตอนที่เวลาเรานั่งสมาธิแต่เวลาที่เราทำอะไรต่างๆนี้การดูลมนี่มันยากเพราะเราต้องดูงานที่เรากำลังทำอยู่เราแปลงฟันเราต้องดูการแปลงฟันไม่ใช่ไปดูลมเราไม่รู้ว่าแปลงไปถึงไหนแนละต้องคอย ด, ดูดูงานที่เรากำลังทำอยู่แล้วถ้ามันอยากจะไปคิดเรื่องโนึนเ่ง น, นี้ก็ใช้พุทโทหนึ่งมันกลับมา ให้กลับมาอยู่กับการแปลงฟันแต่ถ้าเรานั่งสมาธินี้เราเลือกได้จะดูลมอย่างเดียวก็ได้ไม่พุทโธก็ได้แล้วพุทโธอย่างเดียวก็ได้จะผสมกันก็ได้เนี่ยมีสาวิธีเวลานั่งสมาธิใช้พุทเข้าโธออกก็ได้ใช้พุทโธอย่างเดียวไม่ต้องดูลมก็ได้ดูลมอย่างเดียวไม่ต้องใช้พุทโธก็ได้แล้วแต่ความเหมาะสมของผู้ปฏิบัต ว่าแบบไหนจะถูกจริตแบบไหนทําแล้วจะได้ผลดีก็เลือกแบบนั้นไปคําถามจากคุณกาแฟดาจริงหรือเปล่าคะเราใส่บาทอะไรตายไปจะได้กินสิ่งที่เราใส่ก็เป็นความเชื่อนะความจริงมันมันมันอาหารมันก็เหมือนกันทั้งนั้นสิ่งที่เราได้กลับมาก็คืออาหารดังนั้นบางทีมันไม่ได้หรอกถ้าเกิดเราเราทําบุญ ข้าวแกงนี่ไปเกิดเป็นฝรั่งมันไม่มีข้าวแกงกินจะทําไงมันก็ได้อาหารได้คืออาหารนี่มันมีหลายรูปแบบแต่มันก็เป็นอาหารเหมือนกันอันนี้เราก็ไม่รู้นะแต่เราไม่เข้าไปคิดไม่ให้กังวลขอให้มีอะไรกินก็นแล้วกันแต่กังวลแล้วก็เปนจะกินอย่างนั้นจะกินอย่างนี้คําถามจากคุณวาสนาเวลานั่งดูลม จิตมันสงบลงตัวเบาแต่ความรู้สึกตอนนั้นเหมือนไม่มีอะไรแต่ตอนนั้นความรู้สึกลมหายใจมันมาอยู่ตรงหน้าหรือใต้จมูกตอนนั้นมีความรู้สึกปิดติถ้านั่งแบบนี้ถูกต้องไหมคะก็ถูกต้องแต่ยังไม่ถึงจุดสูงสุดให้ดูลมต่อไปจนกว่าจิตจะดิ่งรวมลงเป็นหนึ่งหรือแต่ตัวรู้ผู้รู้อย่างเดียวลมหายไปไม่สนใจร่างกายหายไปไม่สนใจ อยู่กับลมเนี่ยอยู่กับพุโทโธไออยู่กับผู้รู้อย่างเดียวอยู่กับตัวรู้อย่างเดียวอยู่กับอุเบกขาใจวะใจเป็นกลางไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงคำถามจากคุณบีบค่ะแถวบ้านมีวัดแต่ไม่ค่อยโอเคครับแต่ก็ต้องการทําบุญแบบนี้เวลาถวายทานควรตั้งจิตอย่างไรครับถวายเป็นสังฆทานแด่พระพุทธเจ้าและสงสารวกแบบนี้ได้ไหมครับก็ไม่ได้มันต้อง ตั้งจิตอยู่ที่คนรับเนี่ยก็ให้เขาอย่าไปให้คนอื่นได้ยงไงก็ให้เขาไปก็แล้วกันแล้วก็อย่างน้อยเขาก็ต้องกินข้าวให้แล้วเราก็ได้ความสุขที่เราให้ความสุขกับเขาไปไม่ต้องไปตั้งจิตว่าให้พระพุทธเจ้าหรอกมันไม่เกี่ยวไปมันไม่ใช่ก็ตั้งจิตให้คนนี้แหละขอให้คุณมีความสุขจากการให้ของเราขอให้คุณได้กินอาหารมีความสุข โดยเขาจะดีไม่ดีบางทีเราก็ไม่รู้เนีก yeah. <Yeah. S 1> ็แล้วแต่เขาหน้าที่ของเราไม่ได้ไปอยู่ที่ครับดูว่าเขาดีไม่ดี mm hmm. หน้าที่ของเราคืออยู่ที่การเสียสละแบ่งปัน mm hmm. เราต้องการบุญเราต้องมีการเสียสละแบ่งปัน mm hmm. ถ้าเรามาโม่แต่เลือกพระ อ, องค์นี้ก็ไม่ดีองค์นั้นก็ไม่ดีองค์นี้ดีแต่มีของกินเยอะ mm hmm. ก็ไม่อยากก็ให้ <laughs> ก็เลยไม่ได้ให้ทักทีไอ้ตุนี่มันจะหลอกไม่ทาบุญก็นยั อ, อ้างนู่นอ้างนี่เหมือนกับคนที่อยาไปกินอาหารเนี่ยร้านร้านอาหารนี่อร่อยแต่คนเยอะก็อย ก, กินต้องรอนานก็ไม่อยากกินร้านนี้ไม่มีคนเลยแต่ไม่อร่อยก็ไม่ได้กินอีกก็เลยอดตายพอดีกาะจายไหเรื่องทําบุญก็อย่าไปเลือกมันมากนะแึงเวลาทับรีบทำจะที่ไหนก็ได้ทําไปเถอิดถ้าเราต้องการความอิ่มใจสุขใจทํากับใครก็ได้ทํากับสุนัขทํากับแมวทํากับนกกับปลาทํากับ คนที่เราเห็นว่าเขาเดือดร้อนสงสารเขาช่วยเหลือเขาได้ก็ช่วยเหลือเขาไปก็ได้อย่าไปคิดถึงว่าเขาดีไม่ดีเลยอันนี้เป็นการช่วยเหลือพื้นฐานเรืองหลักมนุษยธรรมถ้าเขาอดอยากขาดแคลนก็ช่วยเขาไปแม้แต่คนติดคุกก็ยังเลี้ยงคนติดคุกเลยใช่ไหมก็ไม่ได้ปล่อยให้อดตายหรอกอเรื่องของทําบุญมันมีสองระดับทําบุญเพื่อให้เขาอยู่อย่างพ้นภยัยคือพ้นจากความอดอยากขาดแคลนนี้ทํำกับใครก็ได้ ทระดับก็คือเขาเขามีกินมีใช้แล้วแต่เรายังอยากจะทำกับเขาเพราะเห็นว่าเขาทำความดีอยากจะสนับสนุนเขาให้เขามีพลังในการทำความดีได้มากขึ้นอันนี้ต้องเลือกลนะต้องเลือกว่าคนนี้ทำความดีได้มากน้อยเท่าไหร่แต่ถ้ า, าทำเพื่อให้เขาอยู่รอดอ น, นี่ทำกับใครก็ได้ไม่ต้องไปเลือกอ๋อนะมีอีกห ม, ม อ, อีกข้อหนึ่งคำถามจากคุณแอนนี่ เราจะทดสอบอารมณ์นิพพานได้อย่างไรแตกต่างจากอารมณ์เบื่อทั่วไปอย่างไรเจ้าคะออต้องลองนั่งสมาธิดูถ้าจิตเราสงบตอนนั้นเราก็ได้นิพพานชั่วคราวถ้าจิตไม่สงบยังมีโลภโกรธหลงยังมีอารมณ์ต่างๆอยู่นี่แสดงว่ายังไม่มีนิพพานถ้านั่งสมาธิแล้วจิตจะสงบแล้วอารมณ์ต่างๆจะหายไปความโลภโกรธหลงความรักความชังจะหายไป ความกลัวความอะไรจะหายไปหมดความเบื่อหน่ายก็จะหายไปเหลือแต่ความรู้สึกว่างๆถ้าเป็นน้ําก็น้ําไม่มีรสชาติเนี่ยไม่มีกลินไม่มีสีไม่มีรสเป็นน้ำใสสะอาดจิตก็เหมือนการจิตเวลาสงบจิตจะใสสะอาดถ้าเป็นสมาธิก็ใสสะอาดชั่วคราวพออกจากสมาธิมาความโลภโกรธนองมันเป็นตะกอนมันก็จะโผล่กลับขึ้นมาแต่ถ้าเป็นนิพพานนี่เขาจะเอาตะกอนออกไปหมดเลย อากิเลสความโลภโกรธหลงต่างๆที่มันตกตะกอนนี้ปัญญาจะเป็นผู้ตักมันออกไปหมดน้ําก็จะเป็นน้าสะอาดตลอดเวลาไม่ว่าจ ะ, ะจะเขย่าวขวดหรือไม่เขย่าวขวดน้ำมันก็จะใสตลอดเวลาเพราะไม่มีตะกอนแต่น้ําที่มีตะกอนก็เหมือนกับใจที่เข้าสมาธิเวลาใจเข้าสมาธิกิเลสมันก็ตกตะกอนแต่พอออกมาจากสมาธิก็เหมือนเขยาวขว่าขาวดพอเขย่าขวดตะกอนมันก็ โผล่ขึ้นมาปนกันน้ําใหม่นี่คือวิธีที่จะพิสูจน์ว่าเรามีนิพพานหรือไม่ก็ดูที่ใจเราสงบใสสะอาดนิ่งเฉยไม่มีความรักความชางังความกลัวความหลงแ<ร>อ้วตะ ก, กรฟูขึ้นมาอีกต้องนั่งสมาธิอีกอ่าก็ต้องนั่งใหม่ก็ให้มันตกตะ ก, กรใหม่หรือแม่ก็ใช้ใช้ปัญญาตักมันออกไปไปเอาไปเอาไปเอาเ อ, าอาที่กรมาตักมันออกไปแยกมันออกจากน้ำํำ นปัญญาเป็นตัวแยกเป็นตัวจะแยกกิเลสออกจากใจพอกิเลสความอยากโผล่ขึ้นมาก็ใช้ปัญญาสอนว่าอย่าทําตามความอยากทำแล้วจะทุกข์ไม่ให้สุขมันก็หยุดทําก็เท่ากับตักตัดตักความอยากออกไปตัดตะกรอออกไปจากใจตักไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ตะ ก, กรอก็จะไม่มีเหลือเพราะไม่มีเหลือแนละ้วที่จะขย่าโขวนอย่างไงก็ไม่มีตะกรอไม่มีคุนจิตใจ ที่ไม่มีกิเลสแล้วต่อให้ไปเจอเหตุการณ์ร้ายแรงขนาดไหนก็จะไม่ขุนไม่มัวจะผ่องใสจะแจม่มใสตลอดเวลาเอาแลเนะี่ยพอดีหมดเอาได้ เ, ยเอยถามเดินถามเรื่องการทำบุญตักบาตรให้บรรพบุรุษอยากทราบว่าบรรพบุรุษจะได้ไหมคะอย่างเช่นใส่ตักบาทให้พ่อแม่ก็อยู่ที่เขาเขาอรับหรือเปล่าเนี่ย ผู้ที่รอรับนี่เป็นผู้ที่ไม่มีบุญผู้ที่มีบุญก็ไม่ต้องมารอรับบุญของเราถ้าพ่อแม่ทําบุญไว้เยอะเวลาตายไปพ่อแม่มีบุญติดตัวไปก็ไม่ต้องมารอรับบุญของเราแต่ถ้าไม่มีบุญขาดบุญเขาก็มารอรับส่วนใหญ่ก็จะมาส่งสัญญาณบอกเรามาเข้าฝันนี้ถ้าเขาไม่มาเข้าฝันส่วนใหญ่ก็แสดงว่าเขาไม่ได้มารอรับมาส่งสัญญาณอย่างใดอย่างหนึ่งให้เรารู้ว่าเขาก เ, เขาต้องการความช่วยเหลือจากเรา แต่ถ้าเราไม่รู้ไม่แน่ใจเราก็ทําเผื่อไว้ก็ได้เพราะบุญที่เราทำนี้เราสามารถอุทิศได้ตลอดเวลา mm hmm. แล้วเผื่อเขารอเขาก็จะได้รับถ้าเขาไม่ได้รับก็ให้ให้ดวงวิญญาณดวงอื่นไปก็ได้ mm hmm. เพราะมีดวงวิญญาณเยอะที่ไม่ที่ญาติไม่ได้ทําบุญมารอรับส่วนบุญอยู่ mm hmm. พวกที่เขาไม่ได้เชื่อบุญเชื่ออะไรนี่บิดาก็มีชีวิตอยู่ก็ไม่ทําบุญกัน mm hmm. เวลาตายไปก็จะไม่มีบุญติดตัวไปเพราะฉะนั้นเวลาที่พระ ยถาแล้วรอเกดนานอาไม่ต้องเลยไม่ต้องรอพระยะถาไม่ไม่เกี่ยวกันเลยทําบุญปั๊บก็อุทิศได้ในใจทันทีเลยพระไข่บ้างอาสดสดร้อนร้อนเลยไม่ต้องมารอพระสวดพระพระสดนี้เป็นพระสอนไม่เกี่ยวกันให้พรนี้ก็ไม่ได้พรเพียงแต่สอนว่าทำแล้วจะได้พรอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ต้องมารอรับพรจากพระก็ยังทําปุ๊บได้พรแล้ว ได้อายุวันโนสุขขังพลังแล้วไม่ต้องมาให้มาพระมาบอกเพราะการทําบุญมันมีอนิสงส์ของมันอยู่ในตัวแล้วมันมีพอรอยู่ในตัวของมันแล้วแต่คนไม่เข้าใจต้องมารอพระต้องเตรียมน้ําให้พระสวดยะถาก่อนถึงจะได้บุญถึงจะกวดน้ําได้ไม่เกี่ยวกันพวกเราไม่เข้าใจติดประเพณีไม่เข้าใจว่าเขาทําเพื่ออะไรคกัเอ ควรกับ้าพหนึ่งรูปสมมุรณพค่ะเดินหนุคแต่เวลาที่เราแผ่ส่วนบุญก็คือทั้งพ่อแม่ญาติบรรพบุรุษครูบาอาจารย์เบตานังเวรีนงางสตา์คนรอรับมาก็ต้องหาเงินไปเลย <laughs> แบกไปร้อยหนึ่งก็ถ้าร้อยคนก็ต้องเอาไปคนละบาทถ้าให้คนเดียวก็ได้สักร้อยแต่อยากจะให้พ่อแม่พี่น้องก็ทำเผื <laughs> ก็เส่คนนี้ให้พี่คนนี้ให้แม่คนนี้ให้น้อง ทำสามชุดไปอ่าก็เหมือนกันเวลากินข้าวจานหารมใหุ้คนสามคนแต่ชุดเดียวนี้มันก็ต้อไปแบ่งกันใช่ไหมเออก็ต้องทำสามชุดแต่<ป>ถ้าเราต้องการเจาะจงก็เจาะจงถ้าไม่ต้องการเจาะจงก็ไม่ต<ๆ>้องเจาะจงเข้าใจนะโอเคเอทาท่านนี้ก่อนนะกนะ็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิจารณา